ภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัะ สันังสนั่งกัจฉามิธรรมสนั่งกัจฉามิสังฆงสนังกัจามิทุติยมปิพุทธัง สรนังคฉามิทุตยัมปิธรามังสรนังคฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคฉามิ ตยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิตติยัมปิพุทมังสรนังขจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังขจฉามิ ติสระคันังนิธิตังเจริญธรรมทุกทุกคนอาวันนี้เราก็มาเรียนพุทธชีวศินวันนี้วันที่สิบแล้ววันศุกร์ุขที่สิบกรกฎเออกรกฎาคมตุลาคมสิบ ตุลาคม 2,557 นะร่ะแมสองคำแล้วต่อพันสา ม, มาวันที่สองแล้วเดือนส1บอปีมาเมียนะ่ะวันเวลาผ่านไปผ่านไปนะ่ะถ้าเผื่อว่าเวลาก็ผ่านไปผ่านไปในตัวเราเนี่ยแม้ร่างกายมันจะ ถดถอยลงตามอายุไขตอนนี้มัน80สบแล้ว80กว่าย่างเข้าไปแล้วหลายเดือนแล้วนะนี่อาจมา80บกี่เดือนแล้วนี่ฮะราชสิงหากักญฎญ า, าสี4เดือนก็บรรล่ะนะปบปีสเดือนนกับอีกห้าวัน ห้ า, ห, าหกวันละไม่น้อยแล้ะสังขารร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะเสื่อมไปบ้างเพราะมันมากขึ้นมันต้องเสื่อมมันเกิดขึ้นมันก็เจริญขึ้นเด็กก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงถีหนึ่งมันก็จะพอเป็นไปทรงอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมแต่จิตใจของเรา มันไม่ได้เสื่อมตามร่างกายวันเวลายิ่งเจริญวันเวลายิ่งมากขึ้นวันเวลายิ่งผ่านไปจิตใจของเราก็ยิ่งได้พัฒนาได้เจริญเจริญขึ้นและเราก็รู้ดีเลย ว, ว่าเจริญนั้นถูกต้องไหมจิตเจริญนี่ถูกต้องไหม นคนทางโลกเขาว่าจิตเจริญเขาถูกต้องคือเขาเจริญกันหนึ่งก็ก็ได้โอ้โหก็ชื่นใจเบิกบานราเรืองที่เขามีลาบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นสุขเขาสุขใจจิตเจริญอยู่ไปมียศสูงขึ้นมีอำนาจมากมายขึ้นโอ้เจริญสุขใจได้รับสรนเสริญเยินยอยกย่องมากมายเจริญอิเสภกามโอ้โห เต็มที่สบายยิ่งรู้ราฟูฟ้าโดยกามรูปรดกินเสียงสัมผัสทั้งพร้อมไปด้วยเบญจา ก, กามคุณเจริญอัตตาศักด์ศีต่างๆอะไรรของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมต่องการอะไรเป็นอะไรได้ใหญ่เบลเทอร์ทุกอย่างคนสยบเป็นยอดแห่ง นิ ม, มานนรดีปารณิมิตปสวัตนีนี่เป็นเทวดาจิตเทวดาชัน้นสูงนิมมานรดีก็คือนรดีก็คือมันชื่นชมจิตใ จ, ใจเบิกบานราเดิงเป็นสุขก็แหล ะ, ละรดีรติเนี่ยกิเลสสมใจในกิเลสนิมมานก็ได้สร้างจะสร้างพบสร้างชาติ เป็นเทวดามีอำนาจเป็นเทวดามีมีฤทธิ์มากสูงเจริญมีอำนาจอยากได้อะไรก็ทำได้หมดบำเรอตนเองได้เต็มที่เลยเป็นเทวดาบริบูรณ์ไม่ขัดไม่ค้่องส่วนปรินิพพ์มัศวตีนั้นยิ่งเป็นอำนาจที่ตนเองไม่ต้องทำให้ตนเองเลย คนอื่นทำให้หมดแทบจะไม่ต้องไปพูดแทบไม่ต้องไปต้องการให้ทุกคนเนรมิตให้ทุกคนสร้างให้ทุกคนหามาให้บำเดอบำรุงต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรก็มาเหลือเฟือพักพร้อมบริบูรณ์หมดด้วยโลกกระทำนี่คือเทวดาที่เป็นสุขเจริญสูงสุดเทวดา ชั้นที่ห้าที่หจิตเป็นอย่างนั้นความเป็นเทวดาที่ว่าในเป็นเทวดาสมุติเทพหกชั้นเนี่ยเขาว่าเขาเจริญคนที่ไม่ได้ศึกษาโลกุตระก็จะคิดว่าเจริญอย่างนั้นตั้งแต่ยังไม่ได้พลักพร้อมไปถึงนิมา น, นรดีไม่ถึงขั้นปรินิมิตปสวรตี เขาก็พยายามที่จะยิ่งใหญ่เจริญสร้างตนเองพัฒนาตนเองสร้างอํานาจบาตใหญ่ให้แก่ตนเองให้ชนะคนทั้งโลกสีทิศเลยเลยจตุมหาราชิกาเป็นมหาราชจตุมหาราชิกาเป็นอํานาจนะเรียกว่ารบทั่วทิศ สี่ทิศจะต้องเป็นเจ้าอำนาจเจ้าโลกไม่มีอะไรก็แย่งชิงราบยศเสนญโลกีสุขนี่แหละนาบากบันมุ่งมัน่นแย่งชิงเมื่อได้สำเร็จก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาส ม, มุิมีอำนาจไปตามที่ตนเองพยายามที่จะ สร้างอำนาจบาดใหให้แก่ตัวเองได้ในโลกเสร็จแล้วเขาก็เสพสุขเป็นอาการของจิตเรียกว่าดาววดึงน่ะเป็นดาววดึงเสพสุขน่ะโดยสวรรค์ชั้นที่ตัวเองต้องการได้เท่าไรก็เสพเท่านั้นได้ อะไรก็เสพได้ว่าเสพอาการสุขดาวดึงสเสวยสวรรค์สวรรค์ตัวนี้เป็นสวรรค์ที่สร้างขึ้นสมมุติเทพเป็นสวรรค์ที่สมมุติเป็นอุปทานที่ตนเองยินดีเป็นสุขานลิกะนี่แหละตาวติงสะแปลว่ามสสคนเรามันมีอาการในในมนุษย์เนี่ยมันมีอาการอยู่ทั้งหมดที่สังขารทั้งหลายแหล่ที่มันปรุงแต่งกันอยู่ในร่างชีวิตเนี่ย แล้วก็อยู่กับมันอย่างให้ส ม, สมบูรณ์อยู่อย่างกันอย่างที่สบายเป็นสุขไม่พอสร้างขึ้นมาอีกอันนึงเป็นสาสาแล้วก็เสพสุขอันนี้ของตนเองของใครของมันนะกระบวกลบคูนฮานก็โลกธรรมเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่เหมือนกันหรอกกายไม่เหมือนกันสัญญาก็เป็นสุขเสพบําเรอวผสมใจ เป็นกามารมณ์เป็นอัอตตะท ะ, ท ะ, ท ะ, ทะสุขหรืออตัตตะทารมเหมือนกันเป็นอารมณ์ที่บำเรออัตตาบำเรอกาม <c ười> จะได้มากได้น้อยจะได้นานไม่นานก็เป็นยามายามาคือเวลาเสพสุขไปตามความหลงมันจะไม่เที่ยงมันจะไม่อยู่แน่นอนมันจะไม่จริงหรอกสุขที่ว่านี่มันเป็นอารมณ์ที่อํมเสพ มันก็จะอยู่กับเราประมาณหนึ่งเรียกว่ายามะกาลเวลามีเวลาเรียกว่าสุขแล้วก็อยากได้สุขอันนั้นแล้วก็สุขอันนี้แล้วก็สุขอันโน้นมันจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมีแต่พยายามที่จะบำเรออารมณ์ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกจะต้องนั่งอย่างนี้แหละถึงจะสุขพอนั่งไปนั่งมาเออไม่สุขเดิน เดินก็เบื่อแล้วนะต้องไปเต้นต้องไปนอนต้องไปอะไรก็แล้วไปกินไปอยู่ไปอะไรเคลื่อนไหวไปทุกอิริยาบถนี่บำเรอกิเลสทั้งนั้นบําเรอความต้องการด้วยอวิชชาไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันจะต้องสุขไ อ, อย้ยางงั้นเป็นอิริยาบถสามันแต่จริงๆแล้วก็ไปปฏิบัติ ปประพฤติเปธรกรมกระทาการที่จะแย่งชิงลาบยดสันเสริญหรือแย่งกามเลยแย่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆสแสวงหารูปสแสวงหารสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆหรือเป็นเบ่งเป็นเบ่งไ ป, งไ ป, งไปสแสวงหาอัตตาอัตภาพอัตตาเบ่งเพื่อที่จะได้สมใจได้เซฟสุข อำเรอรอัตตาอัตตาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอัตตาที่ซ่อนอยู่กับกามอย่างหนึ่งอัตตาที่เป็นของตนเองเลยอย่างหนึ่งอัตตาที่ซ่อนอยู่กับกามก็คือเราต้องการลาบได้ลาบมาสมใจได้วัตถุสมบัติได้อะไรก็แล้วแต่เป็นลาบ ได้มาเป็นของตนก็สมใจก็เป็นสมโลกมันต่างจากกามหรือราคะได้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรสพอใจในรูปพอใจในรสในเสียงในกลิ่นรสในสัมผัสเศสศสีอันนั้นเป็นราคะเป็นกามเป็นราคะส่วนอัตตานี้มันนอกกว่านอกกว่าห้าอย่างนี้ นั่นอย่างหนึง่งนะแต่อย่างที่อาตมาว่ามันซ้อนกันอยู่กับกามนี่ก็คือมันได้เสบสมในาตากับรูปหูกับเสียงลิ้นกระดลินกระจมูกสัมผัสเสยดสีทางกายแล้วเสร็จเรียบร้อยมันได้เสบมันก็เป็นการมรดสุข เสร็จแล้วมันก็สั่งสมซอ้อนลงไปในอัตตาเป็นตัวตนอัตภาพด้วยอีกทีหนึ่งไม่ใช่มันหายไปตกเป็นอนุสัสนั่นแหละตัวตนพอใจชอบใจสั่งสมแล้วก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางประทับใจด้วยบางทีนี่โอ้โหประทับใจมาก เคยประทับใจมันทุกคนละน้อยน้อยมากมากกแล้วแต่เคยประทับใจทั้งนั้นไล้แต่กับตกคลักตกผลึกลงเป็นอนุัสเป็นกิเลสลึกนั่นอย่างเป็นสุขเรียกว่ากามสุขหรืออัตถทัศสุขสุขบำเรออารมณ์เป็นสองอย่าง สุขทั้งกามสุขทั้งอัตตาทีนี้อัตตาอีกอันหนึง่งอัตตานี่เป็นอัตตาสุขอัตตาอีกอันหนึ่งคืออัตตาทุกอนาคามีขึ้นไปหรืออารมณ์ที่มันเห็นจริงแล้วว่าเราบาเรอ จ, จิตเราเนี่ยมันเป็นความเท็จมันเป็นความไม่จริงเพราะง อ, อนาคามีจะรู้แล้วก็ละลา้างได้จริง ก็เหลือขันห้าเหลือรูปราคะรูปราคาะในสังโยชน์สูงเน่มานะอุตจักวิชาต่างๆที่เหลืออยู่มันก็เกิดอยู่ก็จะรู้สึกว่าโอ้อันนี้ยังเป็นภาระยังเป็นความข่องติดยังเป็นสัตว์สัตว์ที่เราจะต้องล้างออกจะรู้สึกไม่สบายใจเดือดร้อนใจลำบากใจ จึงเรียกว่ากินลัถะพระยะอัตตามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์อัตตาอัตถัตตะสุขนั้นอย่างคนขั้นต้นอุตุชนคนหยาบไม่รู้เรื่องหลงมันเป็นสุขหมดเทศทั้งอัตตาเทศทั้งกามพอล้างได้ละได้แล้วจึงจะเห็นจริงวันจิตเป็นอนาคามีก็จะเห็นจริงว่าโอ้ มันเป็นเรื่องภาระมันเป็นเรื่องลำบากกิลมัถะมันเป็นกิลมัถะ<ม>ที่เหลือกามไม่มีแล้วนาคา ม, มีไม่มีกามกามหมดหมดแล้วเรื่องจะไปหลงสุขในโลกีหรือว่าอัตถทัะสุขก็เข้าใจแล้วที่มันจะยากอย่างที่เป็ น, ปนในกา ม, มาวาจรไม่มีแล้วก็เหลือรูปาวาจรรูปาวาจรก็จะเห็นได้ว่าโอ้เป็นทุกข์ จนที่สุดพ้นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ก็เหลือขันห้าสะอาดปลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเรียกว่าอัตตาก็เป็นอรหัตตาเป็นอัตตาที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าโอ้มันก็เป็นสิ่งที่มันมีโหติมันยังมีเรายังไม่ได้สลายมันไปเรายังอาศัยมันอยู่ อาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณก็รู้ว่ามันก็เป็นภาระหรือมันเป็นธรรษะมันเป็นเรื่องกังวลต้องมันต้องคลองอยู่มันจะต้องเป็นภาระกวลก็วายได้บ้างมันไม่เป็นเรื่องลึกลับ แต่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่รู้ท่านใช้คําว่ากระบวนกระวายมันก็เหมือนกับมันลพล่านเดือดร้อนอยู่ไปตอลอดเวลามันก็ไม่ถึงขนาดอย่างนั้นทารถะนะมันเป็นเรื่องแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องโลง่โลงโปร่งไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ใช่ยังไม่เป็นทุกทุกอาหารปริเทเยติทุกเป็นนิพพัตทุ ก, ท, กทุกที่มัน เลี้ยงไม่ได้จะต้องแสวงหาข่าวหาน้ำให้มันกินจะต้องเลี้ยงดูมันจะต้องดูแลความสะอาดความเรียบร้อยไม่ให้เป็นโรคเป็นภัยจะต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวอะไรต่างๆนิพพัทุกหรือพญาธิทุกอะไรก็แล้วแต่ทุกที่เลี้ยงไม่ได้ห้าหกอย่างมันก็จะต้องมีอยู่มันต้องเกิดมันแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นสภาวะทุกอเป็นต้นมันจะต้อง มีทุกข์ที่เนื่องต่ออยู่กับขันกับสิ่งที่เรายังเหลือต้องหนาวต้องร้อนต้องหิวต้องกระหายต้องปวดจระปวดปัสวะต่างๆนิ่ผัตทุกข์จะต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงขันไว้ต้องหางานทําอย่างนู้นอย่างนี้ต้องทํานนนี่ต้องกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกับสังคมโลกอย่างนู้นอย่างนี้ดีไม่ดีคนไม่รู้มันกระแทกกระท่านแดกดันแม้แต่เป็นบูรพเจ้า ก็ยังถูกคนว่าคนดา่าดีไม่ดีเทวทัตกริง่งหินทัพประบาดจะเอาให้เจ็บให้ตายอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นทุกข์ที่เป็นวิบากเป็นอะไรอยู่วิป า, ากวิปากวิปกาสทุกหรือเป็นพยาธิทุกเจ็บป่วยอวัยวะเจอการมันทำงานไม่สมดุลมันก็เจ็บก็บป่วยก็ปวดนั่นปวดนี่เป็นอย่า ง, ง, งนู้นอย่างนี้อยู่ได้ สรุปแล้วยังเหลือขันห้ามันเป็นทุกขขันรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นทระทะอยู่เป็นทระทะเบาก็กิลมัฏฐแล้วเป็นพระพุทธจะเป็นพระอาหารขึ้นไปเป็นอนาคามีจะเป็นกิลมัฏฐอาการลำบากใจ มันเดือ ด, ด, ดนอนอใจอยู่แรงกว่าแรงกว่าพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ท่านก็เหลือน้อยที่สุดอยู่ในฐานที่สุดและเรียกวัตรธรรมอย่างนี้เป็นต้นสัจจะเหล่านี้ละเอียดละอเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาวะที่อาตมายังโชคดีที่มีพระไตรปิฎกมีหลักฐานอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ย ยังมีอยู่พ อ, อยืนยันอ้างอิงได้แต่ตมามีของตนเองเข้าใจจึงเข้าใจสภาวะแล้วเอามาอธิบายสู่ฟังอธิบายอย่างเข้าใจอย่างมั่นใจว่าอธิบายพอคุณฟังยังถูกต้องไม่ได้เป็นเรื่องมุกไม่ใช่เป็นเรื่องโมเมเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไมเขาทาอะไรนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะสุขรล้ว ม, มหมดสุขหมดทุกข์จริงๆเลยก็คือต้องปรินิพานเป็นปรโยสานเลิกล้มไปเลยไม่ต้องมีเหลือเป็นขั้นสุดท้ายพระอรหันต์ตายศูนย์ไปเลยเลิกไม่ต่อพบต่อภูมิอะไรอีกหรือพระพุทธเจ้าสร้างาศาสนาเสร็จก็ปรินิพานไปจบสุดจยางเป็นปรินิพานเป็นปรโยสานพราะฉจนั้นผู้ที่ ยังไม่ปรินิพานเป็นปรโยสานก็อยู่ในฐานะของอมตะบุคคลตามมูลสูตรสิบนั้นมูลสูตรสิข้อ10ก็ปรินิพานเป็นปรโยสานข้อก้าวเเป็นอมตะข้อ8ก็เป็นวิมุตต์ข้อแปเป็นวิมุตต์ข้อ7ก็เป็นปัญญา ปัญญาเป็นอุตระปัญญาเป็นท่านว่าอะไรนะเป็นใหญ่เป็นยิ่งท่านแปลเป็นไทยจะไม่เอาไม่รู้มันมันภาษาไทยไม่รู้จะึ้นมันประเสริฐมันใหญ่มันมีอํานาจมันปัญญาเป็นอุตระปัญญามันยุนเนื้ออะไรทั้งปวงในโลกีมันรู้นะและหกมันก็มีสตินะเป็นอธิปไตยเป็นอํานาจเป็นความ เป็นพลังงานที่อยู่เหนือพลังงานโลกีและโลกีทําอะไรไม่ได้สติเป็นอธิปไตยนะแล้วก็มีสมาธิเป็นประมุกห้ามีสมาธิเป็นประมุก เ, เป็นหัวหน้าคือจิตตั้งมัน่นจิตแข็งแรงจิตตั้งมัน่นะเป็นจิติสมบูรณ์นะ ปฏิบัติจนมันเป็นนิจจังทุวังสัตสตังวิปริณามธรรมแน่นี่อัตมาย้อนทวนอธิบายตั้งแต่ท้ายไปหาต้นนะแต่ถ้าอธิบายแต่ต้นมหาทายเนี่ยสมาธิมันยังไม่ได้ตั้งมันอย่างนี่ทีเดียวแต่เริ่มรู้ได้ ว, ว่าตั้งมันแล้วก็ต้องสะสมให้ตั้งมันจนกระทั่งบริบูรณ์มันก็จะกลายเป็นที่อัตมาอธิบายทวนขึ้นไปย้อนเป็นอนุโลมเป็นปฏิโลมทวนขึ้นไปสมาธิก็จะเป็นประมุกแข็งแรง ดิจังทุวังสัตสตังอไว้ปริณามัธมาสังหลังสังคุปปังก็จะรู้แจ้งในเรื่องของเวทนาที่ประชุมลงในจิตนะมันมารวมประชุมลงที่เวทนาในจิตนี่ทั้งหมดนะที่จะต้องศึกษาทั้งหมดเทตมาได้แจกไปฟังแล้วว่าเวทนาร้อยแปดเนี่ยนั่นแหละเราจะรู้จักอาการที่มัน ปรุงแต่งกันอยู่ด้วยเวทนาร้อยแปเนี่ยมันไปชุมลงตรงเนี้ยน่ะมีกายกับจิตนะเป็นเวทนาสองกายิ ก, กับเวทนากับเจตสิกกับเวทนาเวทนาสามก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขสามเป็นอารมณ์อาการของจิตเราจะต้องเข้าใจมาเลยว่าเอออันนี้มันเนื่องมาเกิดจาก เดี๋ยวจะขยายกายให้ฟังอีกทีฟังซ้ําซ้อนไปละเอียดไปเรื่อยๆกายก็ดีบุญก็ดีที่อาตมาหยิบมาพูดตอนนี้เนี่ยสองคำนี้ถ้าพวกเราเข้าใจทะลุเข้าใจอย่างละเอียดละออดีแล้วนาไปปฏิบัติประพฤติด้จริงเป็นอรหรอญญันต์เขายืนยันรับรองพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าเป็นอรหันต์ภายในหนึ่งภายในเจชั่วโมงภายในเจ็ดวัน ภายในเจเดือนสูงสุดเจดปีท่านไม่ต่อเนะี่ยเจ็สบเจปีท่านไม่ต่อท่านต่อแค่เจปีถ้าศึกษาดีส ม, มาธิดีภาคเพียรดีเต็มที่แล้วเจ็ดนะวันเจเดือนเจปีเท่านั้นเนะ่ยเป็นอรหันต์หรืออย่างน้อยได้เป็นอนาคามีอย่างน้อยเป็นอนาคามี อะไรนี่ยังไม่เป็นนาคามเพราะงะั้นความเป็นเวทนาในเวทนานี่แหละต้องเข้าใจให้ดีแล้วเรต้องปฏิบัติจังนะต้องอ่านอานรมณ์ของเราเราอาจจะจําภาษาไม่ได้แต่มันเข้าใจได้ไม่ยากหรอกไม่ต้องไปจําภาษาแต่ว่า ม, มันเป็นสภาวะอยู่แล้วสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์มันก็มีเท่านั้นแส้งมันจะเกิดมามันจะปีการมากการน้อย มีการเบากันหนักกันรแรงอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าอินทรีย์ของมันถ้าเกี่ยวกับภายนอกก็เรียกว่าสุก ข, ขินทรีหรือทุกขินทรีมันทุกหรือมันสุกถ้าเกี่ยวกับปายในหรือว่าเหลือเข้าไปในแล้วก็เรียกว่าสมมนัตหรือโทมนัตสมมนัติสินทรีย์หรือโทมนัตสินทรียแล้วก็อีกอันนึงก็อุอเบกขินทรีห้านี่เป็นอินทรีย์ห้าของมั น, น นี่คือเวทนาเป็นลําดับที่ท่านสอนไว้สองก็ดีสก็ดีหก็ดีหมันก็เกิดเวทนาหนี่แหละตาหูจมูกดินกายใจก็6กนี่แหละสัมผัสแล้วเมื่อเกิดอารมณ์ห้าทวารหทวารทวารที่หคือใจเนี่ยมันร่วมกิดทั้งหมดนั่นแหละทั้งห้านี่นแหละตาหูจมูกดินกายหรือดีไม่ดีก็บ้าใจของมันเองตัวเดียวเอง ไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายมันก็บาบาบสุกุทุกทุกสมนัทธมนัตของตันปายทุกคนเคยเป็นเคยมีเค ย, เคยอะไรมาทั้งนั้นถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถ้าเรียนแล้วอ๋อปฏิเสธไม่ได้แล้วไม่มีใครไม่ละเว้นนะว่าสุขทุกไม่สุขไม่ทุกมันก็เกิดโดยหกทวา น, นี่ ร, รวมแล้วก็เป็นปทั้งตาหูทั้งตา ก, ก็เกิด 3อย่างได้หูก็เกิดได้นะจมูกลิ้นกายเกิดได้หมดแม้แต่ใจเองมันก็เกิดเองมันได้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้หรือทั้งไม่ทุกข์ไม่สุขสจึงเป็น18มโนโปวิจารวิจาระตัวนี้นี่แหละเราเรียนรู้แล้วเรากระทบสมัมผัสแล้วเราก็รู้จาระเป็นวิจาระจาระก็คฤติหรือกิริยาของมัน แยกอธิบายเป็นภาษาใหญ่ก็เป็นกิริยาของมันกิริยาของทั้งภายนอกภายในกิริยาของนามธรรมาจิตเจตสิกรูปนิพานนะหรือรูปต่างๆทึ่เป็นอุ ป, ปาทายรูปทั้งหมดที่เป็นอุ ป, ปาทานยุบยิบสีนั่นแหละก็รู้หมดอาการของมันต่างๆอาการของจิตเจตสิกที่ถูกรู้เรียกว่ารู้นะเกี่ยวนอกเกี่ยวน่องกับสิ่งนอก ก็เรียกว่ากายถ้าไม่เกี่ยวนอ ก, กเกี่ยวนองกับสิ่งนอกเลยก็เรียกว่าใจก็เรียกว่าเป็นของส่วนใจไปเลยอะไรหรือสวนจิตไปเลยเราันเราแยกออกว่ามโนปวิจารที่เป็นโลกีที่ไม่ได้เรียนก็อยู่กับ โ, โลกีสิบแปดนี่ทั้งนั้นสุขทุกข์ไม่สุขมทุกข์ก็อยู่เท่านี้ที่อาตมาพูดตอนต้นนะว่ามันก็หาแต่จะสุข เดี๋ยวก็นั่งกระสุกหรือไม่สุกแล้วต้องไปเดินมันเดินแล้วก็ยืนแล้ก็โดดหลดเต่งหรือไปหายโดนสัมผัสต่างๆสัมผัสหูสมุดแต่มันไม่เท่านี้มันจะต้องไปแย่งสมบัติมันจะต้องไปแย่งลาบไปแย่งยศคิดว่าะจะต้องให้เดมมากให้ได้เจาะให้ได้เปรียบไม่ได้ด้ไม่ดีโกงมันเลยคิดไปโน่นไปมันไม่ได้อยู่สุกมันไม่ได้แล้วมันก็จะหาสุกและเบอร์ได้สมใจ ตามที่มันปรารถนาตามที่มันต kind of ้องการตามที่มันโง่โง่ดักโง่ดานที่หน้าได้หมดเลยโง่ดักโง่ดานมาทั้งนั был, ้นนะไหอาตมาก็เหมือนกันเขาโง่ดักโง่ดานมางี้เห็นอวิชาของคนไหมเห็นไหมอวิชาของคนไม่เรียนไม <talk ing light> ่รู rainbow, <anish> ้พอเรียนแล้วรู้กี่ชาติมาแล้วนึกไม่ได้หรอกแต่แน่ใจเพราะว่าชาตินี้มันยังไม่รู้เลย ขนาดมาเรียนแล้วเดือนอีกมันก็ยังไม่ค่อยจะปล่อยจะคลายเลยเพราะฉะนั้นเป็นอันแน่ใจได้ว่าชาติกรุงกรนี้รู้ขนาดนี้มันก็ยังปล่อยไม่ออกเลยมันชาติไหนนะมันจะไปรู้อ่ะใช่ไหมเพราะนู้ที่ท่านมีของจริงได้มาแล้วท่านมารูอ๋ออย่างพรเจ้านั่งตรวจสอบตนเองมันสิบห้าค่ำเดือนหเห็นรู้ตัวเองอ๋อ เราทิ้งาหมดแล้วเลยอนี้เองเลยท่านก็นเหลือแต่ไอ้ถูกครอบงําทั้งโลกอะไปเป็นอัตตาอัตภาพทั้งก็ทิ้งว่าท่านรู้ทั้งกายรู้ทั้งอัตตาแล้วโถรู้ปั๊บท่านกวางปุ๊บโธมันมันมีของท่านแล้วอะอย่างแข็งแรงไม่ต้องไปอะไรอีกเลยไม่ต้องไปทําไปอะไรอีกเลยมันสมบูรณ์แบบจนท่วนแล้วอะรู้ปุ๊บก็ปล่อยปรับแล้วของท่านเองสยงามภูท่านก็นรู้ ถ้คนไม่มีจริงๆนะเป็นนั่งสมาธินั่งหลับตาให้นึกหายังไงมันก็ไม่มีมไม่มีหรอกมันต้องมีถึงจะได้หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาถามท่านนะให้ท่านระลึกให้ระลึกถึงชาติของผู้นี้นายกมาพบพระพุทธเจ้าเราถามพระพุทธเจ้าว่าช่วยระลึกให้ผมหน่อยสิ ผมชาติก่อนนี้ในชาติไหนเป็นอะไรยังไงชาตินั้นชาตินี้เป็นอย่ังไงอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ากับนายก่อนนี่แต่ปางก่อนไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยไม่เคยสัมพันธ์กันมาเลยพระพุทธเจ้าก็นึกไม่ออกนึกไม่ได้ไม่รู้หรอกไม่เคยเจอกันไม่เคยสัมผัสกันเลยในสัญญามันไม่มีเลยท่านก็ค้นหาไม่ไม่ได้จะตอบเขาว่าเออเธอเรื่องนาม เออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่นั่นแหละสามารถเจอในปางใดปางหนึง่งท่านรู้จักถ้าท่านไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันเลยไม่ว่าชาติไหนมาท่านก็ตอบให้คนนั้นไม่ได้มันไม่มีในสัญญาแต่คนสมัยนี้เนี่ยเก่งชมัดเลยรู้หมด เราลึกชาติไทคนนี้คนคนี้ได้โอ้โหทุกคนอาตมาละกลัวจริงๆกลัวคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่อาตมาไม่กลัวใครไม่กลัวกลัวคนเก่งกับพพุทธเจ้าคนเดีย ว, วในโลกนองนะั้นอาตมาไม่กลัวกลัวคนเก่งกับพุทธเจ้านี่โอ้โกลัวจริงๆเมื่อเราสามารถแยกเวทนาได้และ รู้วานนี้คัมมะคืออะไรตันนี้รู้อาการนะอาการอ๋ออารมณ์เป็นโลกีเป็นแบบนี้มนโนปวิจารสิบมันยืดไปติดทุกข์อย่างี้ติดสุขอย่างนี้ติดไม่สุขไม่ทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วรู้อาการรู้ตั ว, ต, วตัวตนตัวอัตภาพตัวอัตตาที่มันเป็นอาการเหตุนี่เหตุมันจะได้สมใจไม่ได้มันก็ทุกข์ได้มันก็สุขตามอาวิชชา หรือบางทีมันไม่สมใจมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุกไม่ทุกข์มนถ้าเผื่อว่าเป็นโลกีมันก็เฉยเฉยมันเซ็งเซ็งมัเคยสุขมันก็ไม่สุขเคยทุกข์มันก็ใหม่เซ็งเซงเฉยเฉยหรือพักยกมันเต็มและมันสุขละมันพอแล้วมันก็เลยเฉยพักยกอาตมาก็ไม่รู้จะเรียกภาษาอะไรมันสุขเซ็งไม่ใช่สุขหรือไม่สุกไม่ทุกข์เซ็ง หรือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะพักยกมันก็อุเบกขาในเคหสิตะอุเบกขาพอการถ้าเขา้าเข้าใจด้วยแยกเคหสิตตะอุเบกขาเนคขมสิตะอุเบกขาเนี่ยไม่ออกเจ๊งเลยเพราะมันคนละทิศเลยอันหนึ่งเป็นเรื่องของความเฉยล่วงลวงวางเฉยไอตัววางเฉยเป็นตัวกลางอารมณ์นิพพานอุเบกขาเนี่ยเป็นอารมณ์นิพพาน แต่ถ้าเผือว่าไม่รู้เราไปหลงอารมณ์นิพพานเช่นคนนั่งสมาธิโอ้จิตไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีที่นม่ตาไม่มีอุตจักกุกุจจเห็นจิตตนเองวางเฉยสบายโปรง่งเบาอุเบกขาออทุตขขมรสุขจริงๆแล้วหลงว่า น, นี่แหละคือฐานนิพพานแจง้งไม่ใช่ นั่นเป็นพบพบหนึ่งเรียกว่าพบของฌานสีแบบมิจฉาฌานไม่ไม่ใช่สมาฌานไม่จะฌานของพระพุทธเจ้าฌานหลับตาฌานสร้างพบและไปทำให้มันว่างเฉยได้เพผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างสมาธิจริงๆหลงอย่างนี้เยอะเยอะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เยอะ อาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงสงสารเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เชื่ออาตมาพูดก็ไม่ได้นับถือไม่ได้เห็นว่าอาตมาพูดนี่ถูกต้องเขาเชื่ออาจารย์ของเขามากกว่านะก็ไม่รู้จะว่าไงก็ก็ต้องปล่อยไปผู้ที่เขามีอัตตาของเขาเป็นการถือมานะเป็นถือทิฏฐิถือศีลพรดเป็นที่ถูกปาทานเป็นศีลลพตปาทานเป็นของเขา เ้าก็เป็นไปส่วนอุเบกขาของเน่ฆัมมะนั้นมันรู้เลยเหตุแห่งทุกข์แล้วมันก็หลงเป็นสุขอย่างเน่ฆัมมะสิตาโสมนัสกับเน่ฆัมมะสิตาโทมนัสมันเป็นเนฆัมมแล้วนะคืออย่างไรเน่ฆัมมะสิตะ สมนัตก็คือมันทําได้มันรู้ลราโอ้เราทำให้ทำให้จิตของเราจางคลายทําให้จิตของเราลดลงได้ตามเห็นเลยวิราคานุปัตซีดีไม่ดีนิโรธเลยนิโรธานุปัตซีโอ้ทําให้การพยาบาลนิวรนาไม่มีในจิตได้ลืมตานี่แหละสัมพัด เกี่ยวข้องอะไรจไดอยู่แต่เออไม่มีพลังชาญหรือพลังไฟไฟชาญไฟปัญญาลดกิเลสจางคลายทำให้กิเลสไม่มีอาการได้แม้จะเป็นชั่วคราวเป็นตัดทางขับอหารชั่วครั้งชั่วคราวครั้งครั้งคราวที่ทำได้ขนะนี้ทำได้จริงอยู่คุณก็ดีใจปีติโสมนัตเวทนา เพราะการดีใจมีปิติมีสมนัตอันนี้สมนัตคือการดีใจพอใจชอบใจมันไม่ใช่ดีใจพอใจแบบเคหสิตะสมนัตเวทนาเคหสิตะสมนัเเวทนานะมันเสพอารมณ์ที่สมใจที่ได้เสพรถแต่อันนี้มันลดมันดับการเสพมันดับเหตุที่ไปเสพได้มันก็ดีใจซอนเรียกว่าอุ ป, ปกิเล ไม่ใช่กิเลสสามัญเป็นกิเลสของผู้เจริญซ่อนอยู่เป็นปิติก็เรียกว่าเป็นอุปกิเลสในฌานวิตกวิจารปิติสุขเนี่ยมันแรงอยู่ก็เรียกว่าปิติมันเบาลงไปก็เรียกว่าสุขมันเบาลงเป็นฌานสามนี่ก็เรียกว่าสุขที่นี่โทมนัสอา้าวก็ทำได้มันก็สุขแล้ว ไอ้มันแตกตา่างยังไงนะธอมมนัทมันแตกต่างกับโทมมนัทเคหะยังไงโทมมนัทเคหะ ก, ก็คือมันอยากได้แต่มันก็ไม่ได้มันก็ทุกธอมมนัทมันไม่ได้ดินดนด้นโนดิ้นร้มก็ทุกแต่นี่เป็นดับกิเลส ด, ดยอดับได้แล้วปิติก็ปิติเป็นโสมณัสแล้วด้วยแล้วทําไมมันยังมีโทมมานัทล่ะโทมมนัทนก็คือมันยังเป็นฌานหนึ่งยังวิตกวิจารณ์อยู่ ยังมีความลำบากอยู่ยังไม่ได้อาตมาสมมติเหมือนกับขัดขี่จักรยานมันยังโอ้โหได้แล้วขี่ได้แล้วขึ้นนันได้แล้วหลมำวยเพงหวยหรือกาลังทรมานนี่ยังควบคุมยังเคร่งคุมยังเคร่งคุมยังไม่มีวัสัยยังไม่แคล่วคล่องยังไม่มีอานาจยังไม่ทำได้สะดวกสบายยัง ไม่เก่งจึงเรียกว่าโทมนัตเนคขมะสิตโทมนัตเวทนามันซ้อนอยู่กับปิติเออเราได้ดีใจนะแต่ว่าอลาบากยังไม่เป็นยังไม่ง่ายเลยมันยังลำบากลำบนอยู่ซ้อนอยู่กับโทมนัตเวทนาจนกว่าวิตกวิจารนี้เจริญขึ้นเบาขึ้นท่านสรุปในวิตกวิจารณก็คือตักกะวิตกัสังกปะ อปปนาพยปนาเจตโสพิเนโปรปนาวจีสังคารานั่นแหละคุณทํากระบวนการมณสิการนั้นยังไม่เจริญยังไม่สมบูรณ์พอจนได้อย่างง่ายเป็นมุทุภูต ธ, ธ, ธ, ธ, ธาตุได้อย่างไวได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างกรรมัญญาคุณยังไม่ได้สมบูรณ์เท่านั้นเองมันก็เลยต้องทุกลําบากอยู่ ยังทำไม่ได้เก่งยังทำไม่ได้คล่องตัวยังทำไม่ไดค้คล่องสมบูรณ์เต็มที่คุณก็ยังมีตัวโทมนัสเวทนาอยู่เพราะจนผ่านวิตกวิจาร์ไปจนผ่านกระบวนการที่คุณปฏิบัติสังกปะเจนี่แหละกระบวนการมณสิกานี่แหละได้ดีขึ้นเจริญขึ้นจนขี่จักรยานปล่อยมือได้ตีลังกาบนจักรยานด้วยอะไรงี้สบายมาก นะคุณก็ไม่ต้องโทมนัดอะไรแล้วนะขนองด้วยนะขนองมันก็ไปกิเลสอีกชั้นหนึ่งอีกดัะนั้นะเมื่อผ่านปีติผ่านสุขเป็นอุเบกขาฐานนะเป็นอุเบกขาะเนกขมะกกเนกขมะสิตะอุเบกขาเวทนาสบายวางเฉย ก็เป็นฐานนิพานอุเบกขาเวทนาเป็นฐานนิพานต่อจากอุเบกขาฌานสี่คุณก็ทําอรูปฌานตรวจสอบความละเอียดไปซ้อนซ้อนซไปตลอดนั่นแหละเป็นการอนุรักษณาประทานเป็นการรักษาผลเป็นการสร้างให้เกิดอภิสังขารที่สอเนินชาอภิสังขารไปเรื่อยๆคุณก็ไล่าทาไปมันทําอยู่แล้วผู้ที่รู้จักผู้ที่รู้จักผู้ที่มีภูมิ มีความรู้ความสามารถและเข้าใจจริงๆว่าอ๋ออย่างนี้เราทำได้นีแล้วก็ทำให้มันเจริญไปเรื่อยๆอาเซวนาภาวนาพระหฤกร์กำมังปายจนกว่าจะบริบูรณ์เป็นกัตตาญานหรือว่าเวทนาร้อยแภาคส่วนที่เป็นอดีตส่วนเป็นอนาคตทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตเป็นศูนย์อย่างนิจจทุวังสัตตังวิปริณามทัปองสังนีรังสังกุปัง กัตยานจบกิจ <c oughs> นี่คือรายละเอียดของความรู้ที่เราจะรู้นี่เป็นความรู้ของพระอรหันต์เรียนกันอย่างน้อยอนาคามีเรียนกันโอ้โหดูหน้าดิ <c oughs> พระอรหันต์หรือพระอนาคามีอย่างน้อยเรียนกันอย่างน้อยก็อรหัตตมักเรียนเพื่อเกิดอรหัตตะพนพระเวทนาในเวทนาร้อยแปดและก็สบแปรนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาปากเปล่ามันเป็นภาวะสภาวะธรรมที่เราต้องเรียนศึกษาเราจำไม่ได้แต่เราพอรู้โครงสร้างของมัน จำไม่ได้แต่มันไม่น่าจะจำไม่ได้ถ้าเผอมันมีสภาวะเข้าใจดีแล้วแล้วปฏิบัติมันมีกระบวนการของมันใช่ไหมมันมีสกิทของมันมันมีมันอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรสัพัน์กับอะไรมันมันมีมันมีโครงสร้างของมันอะมันมันจะเข้าใจโดยปริยายไม่จําเป็นจะต้องรู้พยัญชนะมันก็รู้ ใช่ไหมเพราะมันมีสภาวะอยู่ในตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจมีไหมกระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีไหมอ้าวแลอารมณ์เกิดต่างนานาเนี่ยนวน่าทุกทุกหรือโทมนัทสุขหรือสมมนัทหรืออุบเบขามันมีไหมล่ะมีทั้งนั้นไ ม, ไม่ต้องทำประจำภาษาเราก็รู้สภาวะแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกตามที่เราเข้าใจะนะเพราะใน พระอภิธรรมมีพยัญชนะอีกมหาศาลมากมายก็คล้ายกันถ้าเราเข้าใจแล้วก็จําไม่ได้บางทีอาตมาก็ยังลืมเลอะๆบางทีพยัญชนะพูดมาผิดพู ด, พดถูกแต่สภาว่ามันไม่ได้ไปไหนหลังถ้าไปวัาเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วมีแล้วมันก็สมบูรณ์เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าอาตมาขยายความเพิ่มเติมมันนี้อีกจะแบบ เวทนาร้อยแปหรือเวทนาที่ส ม, สมโสรนาที่มันประชุมลงมันมันประชุมลงพื่อการวิจพิจารณาเวทนาในเวทนานี่แหละแล้วเราก็จะเห็นจิตในจิตสาราคัสโทสสะโมหะแล้วเราทาให้เป็นวิวิตาราคัวิวิตาโทสารวิวิตา โ, โมหะคือไม่ให้มันเป็นกิเลสราคัสถโทโมหะนั่นแหละพอทําได้มันก็ในขั้นที่มันได้สังขิตตังจิตตังหรือวิขิตตังจิตตังก็คือฌานหนึ่ง มันยังเคร่งคุมมันยังแข็งก็ต้องทําให้มันเป็นมหักระตจิตให้ได้ถ้ามันไม่เป็นคุณก็แค่ดูแค่นั้นนะขี่จักรยานได้แค่นั้นขี่เมืออ่อไหร่ก็ออกข้างนอกถนนก็ไม่ได้เดี๋ยวรถชนตายเดี๋ยวไปรถชนตัวเองเราไปชนเขาตายขับไม่แข็งแต่ถ้าทำให้ฝึกต่อไปอีกให้เป็นมหคกะตให้เจริญมันก็จะเจริญไปเรื่อยเป็นสัุตรจิตไปเรื่อยเรื จนกว่าจะถึงอนุตรจิตสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์เลยเป็นสมาหิตังเป็นวิมุติถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นสมาหิตังก็อะสมาหิตังยังไม่ตั้งมันสมบูรณ์วิมุตถ์ก็ยังมีธุลีละอองอะไรอยู่กัแล้วแต่ก็เป็นอะวิมุตถ์อยู่เท่านั้นมันก็ยังไม่เป็นอนุตรจิตมันเจตัวบริยาน16ก็คือปฏิบัติเวทนาร้อยแนี่แหละ แล้วก็จะรู้เหตุจิตเจตสิกต่างๆเจตวปัิญาสิบเนี่ยซึ่งเป็นชฤษฎีหรือเป็นสูตรเป็นมาตรวัดว่าคุณทำถูกหลักเกณฑ์นั้นนี้หรือเปล่าคุณขั้นนี้อยู่ระดับไหนได้ทำให้เกิดวีตราคะหรือไม่ลดลงไปตามลำดับแล้วทำไปได้ไปข้่องอยู่ตรงไหน ติดอยู่แค่นั้นน่ยติดแป้นอยู่แค่สังกิตตังจิตตังวิกิตตังจิตตังหรือเปล่าทาให้เกิดมหากระตักได้ไหมถ้าได้และไปเรื่อยๆสัตวุระดีกว่านี้ยังมีอีกอาตมาพอใจที่ท่านแปลคํานี้ไว้เนี่ยโอ้โบราณอาจารย์ท่านแป ล, ไ ว, าาแปลไว้ในพระธรรมเทว่าจิตที่ดีจิต ด, ดีแต่ยังดีกว่านี้ยังมีอีกอยู่ยังไม่จบ มันจะรู้ปฏิพานจะรู้นี้มันยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็ทําไปจนให้มันจนมั่นใจเป็นกัตตาญาณนั่นแหละจนครบทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตมันศูญจนแน่ใจว่ามันนิจจังทุวัง ส, สตังอวิปริณามาทำมังอาสังฮิรังอาสังกุปปังคุณก็ทําปัจจุบันนี่แหละสั่งสมให้เป็นอดีตแล้วอนาคตนี่มันศูญหมดเลยทั้ง ปัจจุบันศูนย์อดีตศูนอนาคตมันศูนย์หมดเลยเพราะงั้นทั้งศูนอดีตทั้งศูนปัจจุบันอนาคตมันศูนย์เด็ดขาดเลยเพราะฉยังมาอีกกี่ปัจจุบันมันเป็นตัวพิสูจน์ความจริงเพราะยังมันต้งรู้ว่าอนาคตไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้หรอกเพราะอาดีตเรามีทุนพอปัจจุบันเราก็พิสูจน์พอแล้วว่ามาลีลาไหนมาทีรู้มาทีไม่รู้มาทีเพลอมาแรงมาก นักมาเบามาอย่างโน้นอย่างนี้มาดนท่าไหนเชิญได้ทุกท่าจึงเรียกว่ามันแน่จริงมันปฏิญญาณได้สําหรับตนส่วนผู้ใดจะประมาทผู้ใดจะบอกว่าดีบตัดสินกันเลยของคุณพลาดกันเลยของคุณใครตัวใครตัวมันเพราะงั้นผู้ที่ท่านรู้ดีท่านจะไม่ประมาท จะเห็นได้ว่าคําว่าไม่ประมาทของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่สุดเห็นไหมคําว่าไม่ประมาทของพระพุทธเจ้าธรรมะที่สุดเออเราจะบอกว่าเราเป็นอหรหันต์ไหมเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามาถึงที่นั้นแล้วคนจะรู้เออคุณอยากบอกหรือไม่อยากบอกบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ตัดสินก็ได้ไม่ตัดสินก็ได้ทําไปอีดีเข้าไปอีกเถิดเราจะไปประมาททาไมจะรู้เลยว่าอ๋อประมาทมันคืออย่างนี้เราจะไปประม า, ะมาททาไม ประมาณให้มันสวยตัวเองน่อยคนที่มีเพชรที่โอ้โหใสสะอาดพองไม่มีเส้นขนไม่มีเส้นลายไม่มีเปลือไมันมีหมองอะไรเลยเขาอยากให้มันหมองไหมคนที่มีเพชรด้านหน้าโอ้โหยาชนะใครมาทำให้นิดหน่อยแล้วฉ <laughs> ันใดก็ฉันเพลน <laughs> มาอ่ะ เพราะงั้นถ้าเข้าใจถึงธรรมะพรุเจ้าที่สอนไว้ทุกสูตรอย่างนี้แล้วเข้าใจดีแล้วคุณก็ไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันเจริญให้มันรู้ความจริงในการปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งการสร้างสมาธิด้วยหลักของมรรคองแป8 ไดยหลัมกมรรคองแปดโดยปฏิบัติมรรคเจ็ดองแล้วก็จะเกิดสมาธิสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิสั่งสมเอกกคตาด้วยการปฏิบัติมรรคเจ็ดองไม่ใช่ไปปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็จะเกิดเอกคตาเอกกคคตาอย่างนั้นก็ใช่ใช่ของเขาแต่เป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งที่นอกรีดเป็นการสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธบุญคือการชรําระกิเลสเขาก็ไปชําระกิเลสแบบนั้นซึ่งนอกขอบเขตพุทธมันสแสวงบุญในขอบเขตพุทธก็จะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรมหาจัตตารีสกุลเนี่ยมีมาตั้งแต่พระไตรปิฎกเล่มสยามรัฐนเนี่ยอยู่ในเล่ม14เนี่ย ข้อ 252.28 สเวนี่ก็มีมาแต่ไหนแต่ไรเป็นบาลีแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็ยังอยู่ในนั้นท่านศึกษากันมากี่ปีกี่ปีกี่ปีครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านตาผ่านหูผ่านตาแต่ท่านไม่เห็นสำคัญท่านไม่เห็นว่าโอ้สมาสมาที่องค์พระเจ้าเป็นอย่างนี้เลอท่านไม่ได้สะดุดกันไม่ได้เอามายํำมาสอนทั้งๆั้งที่หลายท่านหลายองค์ เป็นผู้ที่มีภูมิธรรมรู้ก็ไม่เอามาอธิบายมาแยง้งนว่านี่สมาธิสมาธิสมาสมาธิาธาธาธองค์พรเจ้าเป็นอย่างนี้ตามหลักฐานานั้นนี้ก็ไม่เห็นมีใครทำเพราะอะไรตอบไไหมเพราะอะไรนะฮะ โลกธรรมอ้าวคนนั้นถักตอกก็โลกธรรมคนนี้บอกว่าเขาไม่มีธรรมะอะอะเขาไม่มีภูมิเขาไม่มีภูมิจริงๆเขาเป็นกามมณิตที่พบพระพุทธเจ้าคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งคืนเสร็จแล้วพอลูกเช้าก็บอกอ้าวเราจะไปสแสวงหาพระพุทธเจ้าต่อคอลาสวัสดีก็ลาพระพุทธเจ้าไปสแสวงหาพระพุทธเจ้ากัน คุยกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเสร็จแล้วก็เอาเอาละลก็ดีมากขอบคุณได้เป็นเพื่อนคุยกันทั้งคืนข้าพเจ้าก็จะได้ไปสแสวงหาพระพุทธเจ้าต่อไปจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จากพระพุทธเจ้าไปไม่รู้จักเป็นลิงได้แก้วมือด้วนได้แหวน หัวลานได้หวีตาบอดได้แว่นคือไม่รู้จักขออพายอัตมาพูดแล้วมันเหมือนกับคนอวดดีไปข่มเบงไปว่าคนอื่นต้องขออภัยที่พูดนี่พูดเป็นวิชาการเป็นการศึกษาว่าไม่ใช่ว่าแกล้งพูดก็คนรู้จักจะเห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วเห็นความผิดพลาดของสังคมยิ่งคุณอยู่ในวงการศาสนาใช่ไหม อยู่ในวงการศาสนาอัยามันพากันหลงผิดหมดเลยมิจฉาสมาธิกันเป็นทิวเลยและเอาเป็นเอาตายเสียดายเวลาเสียดายแรงงานทุนรอนต่างๆโอ้ยลงทุนไปเผยแพร่มิจฉาสมาธิกันทั่วโลกลงทุนเอาเป็นเอาตายไปแพร่ฝรั่งมังค่าไม่รู้กันโอ้โห ส, สมาธิมา่ของพุทธเรียนกันหัวปักหัวปัม ขอไปพูดแล้วเหมือนอาตมาไปว่าไปข่มไปเบ่งเขาต้องขออภัยจริงๆเลยเกรงใจแต่ลีลาขาองอาตมามันไม่ค่อยจะเพลาะมันไม่ค่อยจะงามมันเป็นเชิงข่มพูดแล้วมันเป็นเชิงข่มมันไม่เป็นลีลาค่อยๆพูดปณิประนอมยกย่องอาตมาไม่ถนัดไม่ทันใจว่ะ <c oughs> พูดอย่างนี้มันเสร็จเลยพูดอย่างเงินมันชาเกินไปมันไม่ทันแล้วยุคนี้ยุคไหนแล้วว啊 ยุคนี้มันยุคนาโ น, โนแล้วอะ่ะนะมันวิ่งปุ๊ดเดียวมันก็ไปถึงโลกพังคารแล้วเดี๋ยวนี้ยมชาชาอยู่ไม่ทันการเทตามาพูดอย่างนี้อตาตมาก็อยากอวดตัวหรือว่าอยากจะแสดงตัวขึ้นมาบ้างว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ใช่อัตมามันก็อยู่ในพระเติโดกและกระจมไปกับพระเตมิโดกอีกต่อไป ขอภัยอย่างยิ่งที่อวดตัวอวดตนหลายๆอย่างมันจะเป็นเช่นนั้นคือมันมีอยู่หลักฐานยังมีอยู่และอีกอันหนึ่งก็คือพูดอันนี้แล้วว่าอาตมาก็เนียมเนียมเนียมจริงๆคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ให้อาตมาเอามาไข ตัดทิ้งไว้หลายอันบอกว่าโอ้พทธเจ้านี่นะนี่ตัดทิ้งไว้แท้ๆเลยไว้ให้เราเอามาไขแลวท่านก็ไม่ตัดไม่ไ ข, ขควา ม, มเอาละพูดแค่นี้ใครเข้าใจยังไงก็เข้าใจกันแล้วกันเรางั้นถ้เาเผื่ว่าผู้ใดผ่านมหาจัตตารีสกสูรแล้วไม่สะดุด แล้วก็ไม่ทำความสนใจและศึกษาให้ดีปฏิบัติให้จริงว่าอ๋อต้องปฏิบัติสมาธิของพุทธเป็นอย่างงี้เลยนะจะต้องปฏิบัติลืมตาจะต้องปฏิบัติมีกรรมอยู่กับกรรมทุกอย่างเลยกรรมในความคิดกรรมในพานพูดกรรมในการกระทำกรรมกิริยาทุกอย่าง กรรมในการทำการงานประกอบอาชีพอยู่ในชีวิตประจำวันสังกปะวาจากรรมมันต้าอาชีวะทำอยู่เงี้ยเหรอแล้วมันจะเกิดสมาธิมันต้องนั่งไม่ให้จิตออกนอกตัวสิมันถึงจะเกิดสมาธิแล้วเอาจิตไปเทอ้โหคิดฟุ้งซ่านพูดจาไปทำงานไปเกี่ยวข้องกับรูปรกดิ่นเสียงสัมผัสลาบยศเสริญโลกีสุอยู่กับสังคมอยู่กับมนุษยชาติได้ไง สมาธิมันจะเกิดได้ไงเห็นไม้มมันคนละความเข้าใจมันคนละวิธีการมันคนละความรู้เลยแล้วก็เขาก็ยึดติดศีพลพรสพกนี้แล้ววิธีการพวกนี้แล้วสัมปทาวิธีการพวกนี้แล้วข่อปฏิบัติแบบนี้กันหมดแล้วโพธิรา์เป็นใครจบป ร, ริญตรีจบนักธรรมตรีหรือเปล่า นักธรรจัตวาก็ไม่จบจบป ร, รียนจัตวาเปล่าอยู่สำนักไหนใครเป็นอาจารย์มาใครสอนใครสอนมันก็น่าเห็นใจเขานะใช่ั้มมันน่าเห็นใจเขานะและดันมาบอกว่าตัวเองรู้เองอีกไม่มีครูบาอาจารย์บัรแล้วกัน เพราะเขาเรียนมาแล้วว่าผู้ที่รู้เองนี่คือสยัมภูอย่างเดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวคนที่รู้เองโดยตนเองไม่มีสยังอภิญญาก็ไม่เข้าใจปัจเจกเขกไ ม, ไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เรื่องพลาะกว่าที่อาตมาจะก็ค่อยแย้มได้ว่าอาตมานี่แหละคือสยังอภิญญาคือผู้ที่จะมา ทำงานสืบสารสาศาสนานี้โอ้โต้องอาศัยเวลานา น, านมากยมแต่ก่อนอาตมาก็ไม่กล้าพูดนะ่เอามหาจตารีสกสูตรมาบรรยายอาตมาก็ไม่เคยย้ำว่สาสยังอภิญญาเนี่คืออาตมาอาตมาก็ไม่เคยย้ํานะเป็นตะเวงว่าต้องมีผู้รู้มีสมุตาสมาปฏิปปนากันต้องพบสัตว์ตรุจผู้นี้อะไระไรกว่าไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางอาจมากโพธิรัก อวดดีอวดตัวอวดตนเลอเกินนะแล้วใครรับรองอาตมามั่งเราว่าอาตมาจะไม่ตายวันตายพรุ่งถ้าไม่อวดแล้วเมื่อไรจะได้อวดได้บอกอตายพรุ่งนี้คือทำไงแปดสิบกว่าแล้วอะเห็นว่าอาตมาบอกว่าจะอยู่ร5 1ห้าอปีก็เลยเชื่อสนิทเลยเหรอ มันง่ายแล้วยห้าเอ็นี่อาตมาก็ยังนึกยากอยู่เหมือนกันแต่ก็มีเหตุมีผลมีหลักฐานมีอะไรดันทุรังถือว่าดันทุรังดูดูดว่าจะอยู่ไปได้ไหมแมร้อห้า็นยึกภาพไม่ออกเลยว่าเนี่ยโครงสร้างของร่างกายจะเป็นยังไงอยู่ดูให้ได้นะอยาพึ่งไปไหนอยากเข็นไหมโอ้โหพร้อมกันเลย ได้เห็นตายก่อนไม่ได้เห็นนะเทตมา น, นำอธิบายในฝังดีๆและได้ปัญญาสุดๆสัส้นละเปรเศปัญญังฟังดีๆนะแล้วก็จะเข้าใจจะเห็นจริงโอ้ธรรมะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันศูนคนมันจับไม่ติด เข้าใจไม่ได้ก็เลยนํามาอธิบายกันไม่ได้เมื่ออธิบายไม่ได้มันก็เลยจมมัไม่ได้นําขึ้นมาอธิบายนํามาขยายความนํามาเรียนมารู้กันมันก็เลยยิ่งหายจมไปจมไปแล้วก็มีของใหม่ที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแทนเจ็แค่ว่าสมาธิคําเดียวนี่ก็นั่นแหละมันก็สมาธิที่มันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วมันขึ้นมาแทน มันก็เลยโอ้ยแก้ลำบากแก่ยากจริงๆอาตมาเข้าใจตนเองมาอาตมาปางนี้อาตมาจะต้องพิสูจน์ตนเองไม่ใช่อะไรหรอกปางนี้อาตมาจะต้องมาทำงานพิสูจน์จริงๆพิสูจน์สัจธรรมพราะเจ้เห็นได้อาตมาไม่มีเลยรูปไม่รอพ่อไม่รวยวิชาความรู้ไม่มี สถาบันไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีอลังการช่วยเลยเอาสัจธรรมอย่างเดียวมาพิสูจน์ยืนยันโลนซ่่ขนาดไหนคิดดูเอาไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกอบเครื่องชูช่วยเครื่อง ไม่มีหวังเฉามาหันไม่มีใครเลยวันดวงลุยเดียวเลยเพื่อพิสูจน์สัจธรรมว่าต้องแน่จริงไม่ต้องอิงอาศัยอะไร เพราะฉะนั้นคนที่เขาพูดเขาบอกว่าอาตมาอาศัยอิทธิพลการเมืองอาศัยอิทธิพลอาศัยอิทธิพลโลกกระทำอะไรก็แล้วแต่ อาตมาถึงบอกว่าโอ้ไม่รู้จักอาตมาเลยจะบอกว่าอาตมายิงก็จริงอาตมาจะไปอาศัยมาให้มันเสียเสียศักดิ์ศรีทำไมใช้ธรรมะนี่แหละยืนยันพิสูจน์ไม่ทรงใช้อันอื่นมาเป็นเครื่องอลังการเครื่องประกอบเลยเพราะอาตมาถึงทราบซึ้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพรมจันนี้ ไม่ได้ทำเพื่อให้คนมานับถือไม่ทำเพื่อหาบริวารพวกคุณมานี่ไม่ไม่จะต้องการให้เป็นมัมบริวารคุณมาของคุณเองแล้วคุณก็พาดเพียน อ, องคุณไปให้ได้ส่วนจะไปได้พมจันนี้เผยแผ่ไปทำไปเพื่อที่จะให้ได้ลาบได้ยศเงื่อยิงห ย, ยาบยิงไกลนะ คนมานับถือว่าเราเป็นผู้วิเศษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประเสริฐผู้เก่งกล้าอะไรก็แล้วแต่ยิ่งไม่ใช่หรือว่าทําขึ้นมาเพื่อจ ะ, จะไปล่มลางลัทธินั้นจะไปล่มลางเทระสมาคมจะขึ้นไปเป็นสังฆราชโพธทรักยังแย่ได้จะไปเป็นสังฆราช โพธิรักนี่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอะไรรับผิดชอบนะถ้าเป็นสังฆราชจะต้องรับผิดชอบโพธิรักอยากได้นักทุกวันนี้อาตมาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะสบายมากพวกคุณก็ทําไปใครไม่อยากทําก็เรื่องของคุณ ใครจะเอาใจใส่อยากจะขนขวายภาคเพียนก็เรื่องของคนนุณอัตา ม, มาไม่รับผ like ิดชอบหรอกเห็นไหมฟังด yep yep. ีๆแต่อัตมาก็ทำงานหน้าที่ของอัตมาไปเท่านั้นเองขนขวายไปตามหน้าที่ของอัตมาอัตมาก็ะทำก็ดูก็แลไปตามหน้าที่ เพราะงั้นในสัจจะที่ลึกที่สุดแล้วเนี่ยมันย้อนแยง้งมีไม่มีอันเดียวกันเป็นไม่เป็นอันเดียวกันรักไม่รักอันเดียวกันเห็นไหมายากมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วเพราะงั้นมันไม่ยึดมั่นถือมั่นภาษานี่เป็นภาษาที่ใช้เท่านั้นเองยุดไหมหยุด แต่มั่นไหมไม่มั่นยึดยึดแค่ยึดสมาทานรไม่ได้อุปทานอะไรจะเป็นเรื่องลึกซึ้งที่มันเหมือนภาษาสุดยอดแห่งไดอะแลกติกเลยสุดยอดทางอะไรเขาแปลเป็นไทยว่าอะไรวิภาควิพากษ์นะฮ ะ, ะไดอะลกติกวิภาควิพากษ์มันเป็นภาษาที่มัน แย่งกันอยู่ในตัวของมันเองสุดยอดเพราะในเรื่องของทังโลกคอมมินนิตก็ยังใช้เลยภาษาไดแอเรติกเนี่ยวิพากวิพากอะไรเนี่ยก็ยังใช่เลยนัานเป็นภาษามันมีสมบัติของมันในตัวเป็นคุณสมบัติแต่ว่ามันมันต้องเข้าใจแล้วมีของจริงแล้วก็จะรู้นะ มันต้องเข้าใจแลวมีของจริงมันไม่มีประสาทประสาทไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าก็ที่ยากที่คนเรายากก็มีที่รพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องของอความมีความไม่มีอะ่ะอัถิกันนัตถิอ่ะหรือโหติกันนะโหติอ่ะ ความมีความไม่มีสองอย่างนี่แหละโลกเราอาศัยสองอย่างนี่แหละนะพระเทปิกเล่มในเะเล่มสนี่แหละข้อ43านะคำว่าโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกคือโลกสมุทรยังโ ล, โลกสมุทรไทยอะ มีมีเหตุท่านไปแปลว่าโลกให้ความเกิดหรือความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบด้วยเป็นจริงแล้วถ้าผูดด้ใดเห็นด้วยปัญญาอันชอบด้วยเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกย่อมไม่มีถ้าคนธรรมดาไม่ไม่มีทางหรอกที่จะไม่งงนอกจากเป็นผู้ที่มีภูมิมารมจริงๆถึงจะบอกโอ้สว่าง เพราะฉะนั้นในบัญญัติเซ็นเนี่ยเซ็นเนี่ยเซ็นนี่คือความ ความรู้ของผู้ที่มีบา ร, รมีทีนี้คนไม่เข้าใจก็นึกว่าตัวเองจะเป็นผู้มีบา ร, รมีสแสวงหาแบบเซนแล้วก็ไปหาทางที่จะรู้เหตุปัจจัยที่เป็นความภาษาค า, า, ารมค ม, คมแล้วก็นึกว่าตัวจะบรรลุอันนี้น่าองสารเซนหลงตัวเองแล้วก็ถือว่าผู้นี้แหละผู้ที่สามารถเข้าใจอันนี้ได้นั่นแ่นะคือผู้มีบา ร, รมีผู้บรรลุคนอื่นไม่ใช่ แล้วก็นึ ก, กว่าตนเองเป็นเป็นผู้มีบารมีทั้งนั้นแล้วก็แสวงหาแต่อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่ใช่สัศโลกรภาษาไทยแล้วโกอานโกอานก็ไปหาบอกว่านี้แหละความไม่มีในโลกย่อมไม่มีความไม่มีในโลกย่อมไม่มีมมม โ, อมมมโอ้โหตีแตกเนี่เป็นซาโตริ ออสาโตริตีแตกหรืสาโตริเลยเซนบรรลุธรรมถือว่าคนนี้ได้เป็นสังฆราชบรรลุแล้วได้เป็นสังฆราชเลยเป็นอรหันต์ทันทีเลยเป็นสัตว์ปรุษทันทีเลยอะไรเงี้ยจริงคนที่มีบา ร, รมีเข้าใจแล้วมันทะลุเลยเหมือนอย่างกาพพาหิยธารุจริยะฟังสี่ประโยคท่านก็บรรลุ พระยะสะพรางฟังธรรมสองอสองกันเป็นอหรหันต์พระยะสะพระพระ อ, อ, อัญญะโกลทัญญะฟังธรรมกันแรกเลยบรรลุเป็นโสดาเลยมันเป็นบารมีของแต่ละคนที่ท่านมีนเหมือนพระพุทธเจ้าน่ะทำไปฟังอยากใครแต่ละลึกชาติปั๊บท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยลึกชาติก็โอ้ อย่างนี้เองตั้งแต่ตตโอ้โหปฏิบัติให้ตายถึงมันเป็นทางผิดปฏิบัติมาตั้งหปียังไม่รู้ว่าเอ๊ะใครเขาก็ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าใครเขาก็ว่าเป็นพรพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งคนมามอบตัวอยู่ด้วยเปัญจวัคคีย์กับมาพุทธเป็นบริวารพัฒวีรับใช้ประคบประงมจะแย่เสร็จแล้วก็จนหนีไปเลยโอ้ยแล้วมันเป็นพระพุทธเจ้ายัางไงโว้ย มันไม่รู้จนกว่ามันจะถึงวาระเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ขบคิดเอาเองไม่ได้เราอาตมาว่าอาตมาเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหรอกที่จะเข้าใจว่าโอ้เจ้าอ๋อมันเป็นพุทธการธรรมคำนี้ก็ยังเป็นพยัญชนะบาลีที่มีอยู่จริงแต่เขาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วมันหมายถึงอะไรเขาก็ไม่รู้เอามาขยายความไม่ได้ พ่อตามาเอามาขยายความบอกโอ้อย่างงี้เองเหรอพุทธการกฐธรรมเข้าใจไหมเข้าใจแต่ก่อนนี้ก็แปลเป็นไทยเขาก็แปลว่ายุพุทธกาลกฐธรรมคือธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะที่ทําให้เป็นพระเจ้าเอาก็ะธรรมะที่เป็นพระเจ้าก็คือธรรมะที่ท่านทาให้เป็นพระเจ้านะท่านมีมาแล้วไงธรรมะที่ทําให้เป็นพระเจ้านี่ท่านเป็นสยามปูท่านมีมาแล้วพอท่านระลึก ข, ของเก่าอ๋อ อ๋อเราเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เองอ้อท่านก็นรู้แล้วอ๋อมักองแปดเป็นอย่างนี้นะสุดโต่งสองฝ่ายเป็นอย่างนี้สองทางเป็นอย่างนี้อะไรเป็นอย่างนี้นี้ก็ขึ้นมาหมดแล้วท่านเอามาประกาศค่อยทยอยประกาศมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยก็เป็นของเดิมเป็นพุท ธ, ธการะธรรมเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าทิ่สะสมมา ตั้งไม่รู้กี่ปาง้นกี่ปางกี่ล้านชาติมาท่านก็มีแล้วอย่างนี้เป็นต้ น, นซึ่งแต่ก่อนนี้ถ้าคืาออาตมาไม่พูดก็จะเข้าใจกันนะว่าโอ้พุทธการะธรรมก็พจนานุกรมบาลีไทยก็แปล ว, ว่าธรรมะที่ทําให้เป็นพรุทธเจ้าถ้าไม่มีใครขยายความไม่มีใครที่บายอย่างรอบรัดต่างชัดเจนเนี่ยธรรมะทำให้เป็นพพุทธเจ้า ก็ทุรู้พัญชนะอะมันอย่างก็ไม่รู้ถึงสัจจะลึกๆว่าอ๋ออย่างนี้เองเเหรอธรรมะที่ท่านสั่งสมมาเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธธรรมที่โอ้หยาบกรางละเอียดมามากมายเป็นอย่างนี้เองเเหรอเช่นมรรคองแปดเป็นอย่างนี้อ่สาสมาธิเป็นอย่างนี้ อ๋อคอยจะรู้สมาสมาธิเป็นอย่างนี้คอยจะมาประกาศให้เป็นมหาจตารีสูดว่าสมาสมาธิเป็นอย่างงี้นะไม่ได้ไปนั่งหลับตาปฏิบัติมากเจองค์นี่แล้วยุคนั้นคิดดูซิยุคนั้นมันนั่งหลับตาสมาธิก็เต็มป่าทั้งนั้นหลยดูนอกป่ากับตรงนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ทั้งนั้นสมาธิมันเพี้ยนไปมันไม่มีละเขาพูด อาตมาบอกแล้วอาตมาโชคดีถ้าไม่มีในพระแต่พิดกนี่อาตมายากมากเลยอาตมาจะเอามายืนยันมาสมาสมาที่ต้องปฏิบัติมักเจ็ดองอย่างนี้ทาไม่มีนะสมมุติไม่มีในพระต่ปิฎกเลยนี่นะจ้างก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยอมรับฟังไม่รู้พวกคุณจะยอมจบฟังเปล่าไม่รู้แม้แต่พวกคุณก็เถอะไม่มีพระแต่พิดกรับรองนะนี แต่คนที่มีบารมีที่มีปัญญามีภูมิธรรมอยู่จะรู้รับได้เพราะฉะนั้นหลายอย่างที่อาตมาไม่ได้ยืนยันในพระธรรฎิบอดแต่พวกคุณฟังได้เข้าใจรับรู้ไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรขัดข้องต้านเออไม่มียืนยันในพระธรรฎิบอดนี่เอามับางคนต้องยืนยันนะไม่มีในพระธริมปฎิอดยังไม่เชื่อพอท่านพูดเองนี่ว่ายังไม่เชื่อมีมีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรไม่อาตมาก็ไม่เกี่ยงไม่ว่าอะไรก็เหลืงคุณคุณไม่เชื่อคุณก็ ทำไมมีในพระแท้พระโตค่พระท้พระก็มีเท่นี้แหละส5่หเล่มนี่มันในบันทึกหมดลบอกบันทึกทั้งหมดมันไม่หมดหรอกก็มีพอสมควรก็ดีแต่ขนาดนั้นก็มากพอมากพอที่จะยืนยันเอามาใช้เพื่อที่จะปฏิบัติตามให้มันได้บรรลุได้แน่นอนเป็นอรหันต์ได้แน่นอนนะ นี่ิษัทจะทำที่อาตมาก็เติมเขอแถมไปเรื่อยๆมุมนั้นด้านนี้ต่างๆนานาที่บรรยายการพุทธชีวศิลป์เนี่ยจะบรรยายไปตลอดไปอีกก็คิดว่าบรรยายไปแค่อีกสัก70ิกว่าปีก็พอละใครจะตามฟั ง, งเอ้าอีกเจสิบกว่าปีอยู่ให้มันได้นะทำไมยกมือรักษารูปขันนามขันดีๆ นะรักษารูปขันนําขันให้มันดีๆพัฒนาไปเขาก็เป็นไปอะไรมันจะทําให้เป็นพลังงานต้านทาให้ขันเรามันสั้นลงมันจะเสียเสียไปก็รักษาดูแลมันจะไปดัดนทุรังให้มันทําให้ขันเราเสื่อมไปเพราะว่าเราเองเป็นผู้ทำนะอ่ะเอาละอาตมาพูดเลยเวลาไปหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่ได้มีคอสอชอไม่ได้มา อาตมาว่าไปทั้งทุ่มจะครึ่งแล้วโอ้เลยเวลาไปตั้งหลายนาทีเอ้าตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะที่คุณจะซักจะถามจะแนะจะนำจะอะไรก็ว่ามาแต่จะมาพูดคนเดียวพอแล้วเอ า, เอาแจกไมโครโฟน อ้าวใครยกมือเลยจะพูดเอาเลยโอ้อยังไม่ได้เลยเอาไม้ให้เอาไม้ยกมือแล้วก็ไม้ไม้พูดไปถึงเลยครับกลับขอโอกาสครั บ, รบอ้าวจับประเด็นเรื่องสมาธิหลับตานะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบชอบนั่งสมาธินะครับว่านึกถึงนึกถึงพระธุดงค์นึกถึงพระป่าอะไรเงี้ยนึกถึงสภาพที่ ที่เคยได้ยินได้ฟังมานั่ยแหละว่ามาการปฏิบัติธรรมต้องอย่างงี้นะอย่างเงี้ยทีนี้ตัวเองก็พอมาทำมาทำก็นั่งนั่งนั่งขนาดว่าไปฟังธรรมนะครับตอนตอนอยู่สันติอโศกก็มันมันมันหลับตาก็น่าเกลียดใช่ไหมครับก็ลืมตาลืมตาก็ก็นั่งนั่งแบบลืมตานั่นแหละแต่ แต่จิตมันก็ดับไปเรียบร้อยแล้วเมันก็ไปอยู่ในผวังเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> มีคนที่ทําให้จิตเขาเราตกผวังแล้วแต่ตา ย, ยังลืมอยู่เลยแข็งปังเลยนะเอาเบื่อมาทํอย่งางเขาไม่รู้เรื่องไม่เห็นหรอกแข็งอยู่เงี้ยลืมตาอยู่เลแต่ตาแข็งตาแข็งเอาไปทำอย่งก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยู่ในผวังละก็นั่งไปนั่งมาว่าเอ๊ะมันกิลเลสไม่ลดลงเนาะ มันมันมันก็คล้องใจอยู่นั่งไปนั่งมาเอา้าตกลงสักพักนึงเอา้าหนีไปแต่งงานละทีนี้เอ๊่มันมันลดมันลดกิเลสไม่ได้จริงนี่นาอย่างเงี้เนาะก็นั่งก็ยังนั่งต่อแต่งงานแล้วก็นั่งต่อนั่งต่อต่อไว้ต่อมาเอา้ามีมีมีลูกอีกคนละ ม, มีลูกอีกมีลูกก็มานั่งต่อมีลูกมีลูกอีกละอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมันเห็นชัดว่าเราเรานั่ง นั่งจนถึงถึงขั้นว่าอากาษาถึงขั้นวิญญาณัญจา่งมันม น, นะมันก็ยังถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ยังลดกิเลสไม่ได้ <c oughs> ก็ออกมาก็ยังเป็นเดิมๆอยู่อีกทีนี้ก็ก็ได้ข้อสรุปให้ตัวเองว่ามันมันหลับไปเหอะนั่งนั่งไปเหอะมันสุดท้ายออกมาสู่สภาวะปกติก็กินสโศดืม่มแสบก็อะไรก็อร่อยอยู่เหมือนเดิม ไม่ใช่ว่านั่งเสร็จแล้วเราออกมาปุ๊บมันจะจะลดได้มันไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ประเด็นของคำถามก็คืออยากจะถามเสริมว่าสมาธิพุทธเนี่ยครับว่าสภ า, สภาพลืมตาเนี่ยคุณภาพของความเป็นอากาสาวิญญาณัญจาเนี่ยมันถึงขีดของที่ที่นั่งสมาธิเอาเอาขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับ อัตมาก็อธิบายมันหลายทีแล้วนะว่าฌานอย่างพุทธกับฌานอย่างไม่ใช่พุทธมันมีสภาวะคลองมันทั้งสองอย่างฌานอย่างไม่ใช่พุทธนั้นเป็นรูปประฌานมันก็อยู่ในภพในภวัานั่นแหละในฌานหนึ่งมันก็เริ่มต้นไม่มีนิวรณ์แต่มันยังยากมันยังมีตกปิจารณนมันยังลําบากมันยังคุมเคร่งมันยังไม่คล่องมันยังหนัก มันยังไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายมันก็มีปิติมีสุขจนกระทั่งมันชินชาปิติก็ลดลงทำได้ไปเรื่อยๆบิตอกพิจารณ์ก็เบาลงเบาลงค่อยๆชำนาญชำนาญก็ง่ายขึ้นเข้าปุ๊บก็ได้สบายเป้าไปเรื่อยจนกระทั่งคล่องสบายเข้าชานนั่งปุ๊บก็เข้าไปสู่สภาพอูเบขาวางปุ๊บสบายก็ถึงขั้นชาญสี่ ทีนี้ในภาวะที่จะเป็นอรูปฌานจากฌานสี่ไปเป็นอรูปฌานนี่แหละมันมีพยัญชนะมีสมมติที่บอกว่าอารูปฌานอากาสามันเป็นอีกพบหนึ่งเรียกว่าอารูปภพเพราะคนที่ศึกษาก็ต้องเข้าใจโดยปฏิพานโดยปริยายว่ามันต้องเป็นพบที่เบาบางกว่าอออเอาเวกขาที่เราได้ภูมินี่เราไม่มีแล้วอาการของนิวร์ การพยายามบ่าตีนมิธาอุทจจะไม่มีแล้วไม่ฟุง้งไม่ซ่านไม่ตกทีนมิธาอะไรเลยชัดเจนพ้วิจิกิจชามันไม่มีนิวรณ์ว่างเบาสบายโปรงกลางอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่อยู่ในภูมินี้อยู่ในอาการอารมณ์อย่างอย่างอุเบกขาเนี่ยถ้าเป็นอาก า, ารสาอารมณ์ชาดมันต้องว่างต้องเป็นโลกเบาเหมือนเราออกไปนอกโลกเนี่ย มันต้องบรรยากาศหรือมันมันต้องเบาวกว่า น, นี้ว่างกว่า น, นี้โปร่งกว่า น, นี้จริงๆมันก็ตั้งพบตั้งชาติอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทําไปนี่พูดถึงคนยังไม่รู้นะพวกคุณรู้อาตมาเคยบอกแล้วคุณจะไม่เป็นอย่างนี้แต่คุณไปคิดอย่างที่อาตมาพูดนั่นแหละคุณจะตั้งพบแบบอาตมาพูดนั่นแหละเพราะพวกที่นั่งหลับตาจากรูปประชาติมาขึ้นสู่อรูประชานี่เขาจะหลุด ออกมันก็ออกหลุดออกไปนอกโลกที่ดูดเอาไว้เลยจริงๆทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจะรู้เลยอ๋อไอคนนี้เนี่ยมันอยู่ในพบอรูปฌานจริงๆนะพวกนึกไอ้พวกที่นั่งหลับตาสมาธิในจากรูปฌานนั้นมันจะต้องปึ้งมันเหมือนกับเราต้องใช้พลังงานแรงที่จะผ่าบรรยากาศของที่มันไม่ว่างไม่เบาไม่โปร่งไปสู่อาวากาศสู่บรรยากาศที่บางว่างเบาตามที่เราปั้นไว้ ทุกคนนะเพราะงั้นแต่ละคนแต่ละคนที่พูดเล่าพูดจะใจะก็ได้อย่างมหาบัวบอกโอ้โหคุณเอ้ยเราไปสู่ที่มันว่างมันเบามันหลุดเข้าไปสู่พบนิพพานนลมันหลุดปึง้งเลยอะไรเงี้ยแต่จำนวนไม่อย่างนี้ทีเดียวอาจาร์เราเร า, เราหลายทีปึง้งนี่แหละไอ้ตัวปึง้งเนี่ยเราที่เราจะจำนวนววหารต่าง ๆ, างๆมันก็ปึง้งนี่แหละ ปึ้งวะเนี่ยหรือเคยอาตมาเคยเล่าว่าถึงฝรั่งฝรั่งที่มันตามหานิพานอะเนี่ยปึ้งอไอเนี่ยตามมาจากต่างประเทศมาถึงนี่ใครกันเล่าอาตมา ก, ก็บอกอนะมันไม่ใช่โกรธไปเลยอยู่คืนเดียวอาตมา ก, ก็บอกไม่ใช่ต้องมาปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ตามสมาธิิไม่รุ่งเช้าคว้ารองเท้ากแกก็มักน้อยนะแกก็มีรองเท้าแตะมา ควารองเท้าแต่ได้หายไปเลยบอกว่าคนนี้ช่วยไม่ได้เอานิพานมาคืนเขาไม่ได้เขาได้นิพานแล้วนิพา น, ม, นมันหลุดไปต้องหาอาจารย์ที่จะเอานิพานคืนให้แกเาัาคนหลงตรงนี้เยอะนั่งหลับตาแล้วมันก็สู่ตรงนี้เพราะนั้นตรงที่ว่างนี่หลุดปึ้งนี่แล้วนี่ต่อจากนั้นยากที่จะอธิบายได้แต่ละคนเข้าไปสู่รูปอรูปฌานแบบหลับตานีคือ เขาจะแยกฐานอากาสาฐานวิญญาณจาอย่างไรฐานอากิจยยนะนนญญัญญายตนนกระทันเนวัชญานาสนญายตนเป็นฐานสูงสุดที่เข้าไปหาดับเขาก็หลงว่าเขาจะต้องดับเขายังมีการรู้อยู่ยังว่างยังใสยังโปร่องอยู่เป็นอาพัสรายังไม่ใช่ฐานนิโรธเพราะงั้นเขาก็จะนั่งดับ เขาทําอันนี้ได้เขาบอกเออนี่เป็นอรูปฌานระดับ3ระดับ4ระดับ5้าโอ้ไม่ใช่ระดับหระดับหละสูงไปกว่าฌานสี่เป็นห้าเป็นหกละเพราะฉะนั้นเจ็ดแปดเขต้องเป็นดับอาจกินจัน์ไม่มีอะไรนิดหนึ่งน้อยนึงเขาก็ดับนี่คือฐานที่อุทกกระดาลาดาบอกอุทกกระดาบทหลงติดแล้วก็ไปจมอยู่ตรงนั้น ก็คือสว่างกับดับเป็นอภัสรากับสุปกินนะฮะดำดำับดำไปเลยเพราะฉเขาจะนิโรธเขาก็ดับดำเขาไม่นิโรธเขาก็อยู่ระหว่างอาการสาวิญญาณัญจ า, ส ว, าสว่างสบไปแล้วเขาก็จะแยกยากว่าอากินจัญญายตนะ ก, กับเนวัตยานาสัญญาคืออะไรหรืออาการสากรรวิญญาณัญจายตนะคืออะไรต่างกันตรงไห น, นเขาจะแยกไม่ออกหรอกพวกสายนั่งหลับตา ถ้าไม่เข้าใจเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์ไม่รู้จักรูปยี่สิบแพวกนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งนั้นด้วยรูปรูปนี่สิ่งที่ถูกรู้ด้วยยานปัญญาทั้งนั้นมันจะรู้อากาศอากาศ อ, าาศ อ, าาศอาธิบายเป็นวัตถุอธิบายเป็นบัญญัติก็คื อ, อปริเฉ ท, ทรูปอากาศอากาศสาัทธา ส่วนวิญญาณนาะท่านะันคือวิญญาณที่สะอาดใสหมดเลยปราศจากทุลีละอองปราศจากอากินจัญญายตนะไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีที่จะมีเศษทุลีละอองความเป็นอวิมุตตแบบไหนก็นแล้วแต่ในลีลาของสิ่งที่ยังมีชีวิตินทรีซี ลีลาของวิญญัติต่างๆในวิญญัติที่มันวบมันมันอะไรที่ทําให้มันไม่นิ่งมันไม่สบายมันไม่เบามันไม่อยู่ในฐานที่ควรที่เราจะกําหนดรู้ว่าฐานที่เรารู้นี่เอออันนี้ต้องขนาดนี้ละปรุงขนาดนี้เรียกว่าเบาขนาดนี้ละหุตาขนาดนี้เหมาะสมที่เราจะปรุงขนาดนี้เหมาะควรกับการงานกรรมมัญตาแล้วเราก็ทําจิตของเราได้เลยว่ามุทุตาแล้วก็อาศัยอันนี้ไปเพราะฉะนั้นก็จะกําหนดรู้ความ เคลื่อนไหวหรือความไหวในระดับปรุงแต่งเป็นองค์ประชุมเลว่ากายวิญญัติหรือประชุมเป็นวจีวิญญัติก็จัดการไว้เท่านั้นก็รู้ในวิการะรูห้านี้อย่างสมบูรณ์แล้วใช้วิการะรูผ่านี้เป็นเครื่องทํางานอย่างทุกวันนี้อาตมาใช้วิญญัติกายวิญญาตวจีวิญญัติญญตที่แรงเยอะปรุงเยอะและ้วอาตมาก็ต้องอาศัยเท่านี้เป็นลหุตา เป็นความเบาเพราะพวกคุณมันหนังหนาเบาคนนี้มันเอาสำลีไปเช็ดไปล้างได้ไม่ใช่น้ำทุเรียนเอาทุเอาสำลีไปปัดล้างเช็ดน้ำตัดน้ำทุเรียนเอาสำลีไปชาระน้ำทุเรียนให้มันเรียบคุณทําได้เหรอ มันหยาบประมาณนั้นอัตมาก็ต้องเล่ น, นอิโต้มันงจะไหวมั น, มนงั้นน้ำทวเรียนมันจะออกได้ไงเล่นอิโต้ไปเอาซุดทำรีไปเช็ดอยู่งั้นโอ้โหตายอัตมาไม่มีซํารีไปพอจะเช็ดน้ำทวเรียนได้หรอกมันเป็นยุคของมันมันต้องเป็นเช่นนั้นที่อัตมาพูดไปนี่มันเป็นลักษณะของสิ่งที่ลึกซึ้งจริง แล้วมันอยู่ในยุคการอยู่ในการละอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆนะเพราะงั้นผู้ที่มิจฉาทิฏฐิเข้าใจฌานอย่างที่ว่านี้ก็นั่นแหละจะเป็นฌานลักษณะนั้นแม้จะเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจและอธิบายถ้าเข้าใจสมาธิจึงจะอธิบายอย่างอาตมาอธิบายได้โอ้โหโพธิลักษณ์นี่ตัวตัวอดต้นใหญ่ทางั้นอธิบายไม่ได้หรอก ที่ท่านทำกันนี่นะถ้ามาแยกอย่างที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้เพราะท่านไม่มีปัญญารู้ในอุปาทายรูปย4จริง ๆ, ส, งๆสิ่งที่ต้องถูกรู้ด้วยความละเอียดละออนในทุกอย่างที่เคลื่อนไหวทุกอย่างที่มีสภาวะมีและรู้สภาวะที่ไม่มีด้วยสมบูรณ์แบบจะอาศัยความมีเท่าไหร่ และกอทุนก็ต้องรู้ว่าคุณมีเท่านี้คุณปรุงแต่งเท่านี้เป็นอภิสังขารเป็นสัจจานุโลมิกยานเพื่อผู้อื่นแต่จิตของคุณไม่มีกิเลสไม่มีอกุศลเจตสิกไม่มีอกุศลจิตประกอบร่วมเลยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่มีอกุศลจิตอกุศลจิตแบบอย่างไรคุณก็ต้องรู้จิตคุณและวม่าคุณปรุงแต่งอันนี้คุณไม่มีอากุศลจิตร่วมเหมือนอย่างอตาตมาบอกอตาตมาไม่มีนี่ไม่มีสาธเตยจิตอยากอวด อาตมาก็ต้องรู้ว่าอาการเขาไอซาเธอจิตมันเป็นยังไงแล้ววันนี้อาการไม่อย่างหยาบกลางละเอียดนิดหนึ่งเป็นมโนวิญญาตมีไหมอาตมาบอกอาตมาไม่มีมโนวิญญาตที่จะเป็นซาเธอจิตแม่นิดแม่น้อยไม่มีผสมรวมออกมาเลยแต่คนก็ฟังจะไปเชื่ออาตมาได้ไงคุณมาอย่างรู้จิตอาตมาได้ไงจะมาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ฌานของพุทธ ลืมตาอะรูปปัญชานคือการตรวจสอบเพราะนันคุณจะต้องรู้ปริเชษ ร, รูปอากาศสาธาตว่างและคุณจะว่างอย่างไรแค่ไหนหนึ่งว่างด้วยอากาศอาการความว่างสองวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์วิญญาณนี่เป็นตัวลักษณะอาการของจิตเจตสิกที่มันสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะ คุณก็ต้องอ่านทั้งหนึ่งอาการว่างที่คุณอยู่ในนั้นเป็นองค์ประกอบอาการอากาศเนี่ยหรือความว่างมันประกอบองค์รวมทั้งหมดเรียกว่ากายะกายะสังขารองประชุมทั้งหมดแต่ส่วนวิญญาณวิญญาณัญจายตนะมันเป็นธาตุจิตของคุณสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสโล่งปโปร่งว่างเบาคุณต้องตรวจความสะอาดนั้นของคุณเองวิญ ญ, ญาณกับอากาศ ก็ต้องแยกออกว่ามันสองอย่างและทีนี้ไปถึงขั้นอากาสานิดหนึ่งน้อยหนึ่งด้วยทุลีละองอ้อกินมาเนี่ยพยัญชนะวิปลาสใหญ่ามาอากินจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเป็นทุลีหมองเรียกว่าอาโซกะไม่มีภาษาเรียกแล้วมันเป็นเรื่องที่ยังรู้สึกมองมองเศร้าๆมองมองมอง เหมือนกับเพชรที่อาตมาว่าแล้วมันมีหมองนิดหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีแล้วนะเราไม่ต้องการความหมองต้องไม่ให้มีหมองอะไรเรต้องใสสะอาดโปร่งนิดหนึ่งแม้กระทัเศษธุรีละอองขนาดไหนอักกินจัญญาจตนะคุณก็ต้องไม่ให้มีเนวัสัญญานาสัญญายตนะคุณก็ต้องตรวจสอบความไม่รู้ต้องกำหนดรู้ทุกสัญญานา น, านาัตตสัญญา ในอัตตภาพของสัญญาทุกนานัตตะแต่วัตตาต่างต่างตั้งแต่โอราติกาอัตตามโนมยอัตตาอรูปะอัตตาคุณตรวจสอบหมดเลยให้รู้หมดเลยกาหนดรู้นานัตตะสัญญาสัญญากำหนดรู้อัตตาต่างๆนาอัตตานานาตตะอัตตาต่างๆสัญญาต้องกำหนดรู้เนวะสัญญาจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ ต้องผ่านการรู้รอบจนสิ้นความไม่รู้เป็นสิ้นอวิชชาสวะความไม่รู้ใดๆอวิชชาแม้ทุลีละอองเศษของอาสวะของความไม่รู้ใดๆคุณต้องผ่านหมดพ้นความไม่รู้ไปทั้งวงเหลือความไม่รู้ไม่ได้น้อยนิดขนาดไหนก็ไม่ได้คุณต้องรู้ทวนรอบจริงๆ จ, ง จ, งจึงเรียกว่าสัญญาเวทีจิตตนิโรธ นี่คือคำพูดภาษาพยัญชนะอธิบายเป็นภาษาให้สู่คุณฟังได้เพราะฉะนั้นรูปปัจจานก็เป็นเช่นนี้ของพุทธส่วนรูปปัจานแบบฤษีอัตมาอธิบายไปแล้วส่วนรูปปัจจานของพุทธกับของฤษีนั้นรูปปัจชานของฤษีมันก็ทำอยู่ในพอยู่กันน่มันเป็นการสร้างภพรูปปัจจานเนี่ยเป็นการสร้างภพ อรูปฌานอธิบายไปแล้วมันก็สร้างพบสร้างพบหลุดปึ้งก็ไปสู่พบนั้นโอโหไม่ได้อยากออกเลยอยู่ได้แล้วคุณเลยแต่คนได้แรกแรกอยู่ไม่นานคนได้แรกๆอยู่ไม่นานจะทำครั้งที่สองก็ยากแสนยากเหมือนในฝรั่งมันตามหามาจนถึงประเทศไทยมันทำอีกไม่ได้ไม่ง่ายทำครั้งที่สองก็ไม่ง่ายเพราะมันรู้ซะแล้วไง ตอนแรกมันไม่รู้มันก็เลยอหลุดปึ้งออกพอที่สองจะปึ้งยังไงว่ามันจะมันป okay? pues, ึ้งอีกทีมันมันรู้แล้วไงมันก็เลยยากมันมันทำยากมันทําไม่ได้แต่จริงๆเขาทําได้นะแต่เขาไม่รู้ว่าไม่ได้หลุดปึ้งมันเทียบชั้นของความว่างความเบาไม่ออกแล้วมันเทียบไม่ได้เขาทําได้แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเพราะมันไม่ต้องหลุดปึ้งละเขาก็เลยไม่ได้ ถ้าเขาภาคเพียรทำได้พบนั้นอยู่แต่เขาไม่มีตรงนี้เขาก็เลยไปหมายว่าถ้ามันจะต้องออกไปสู่บรรยากาศเหมือนกับโลกเนี่ยออกมันก็ต้องมีแรงดึงดูดแล้วก็ต้องหลุดแต่เขาได้แล้วเขาไ ม, ไม่ไม่มีตรงแรงดึงดูดแล้วมันก็เลยไม่เขาก็เลยนึกว่าเขาไม่ได้เ <c oughs> มื่ให้กันอยู่ในพบรูปประพบกันนั่งหลับตาสมาที่มันก็เข้าไปสู่พบถึงเรียกว่าพระวังองค์ของพบมันไม่ได้พ้นองค์ของของพบ แต่เขาไม่รู้จริงๆอัตมาพูดไปนี่ออกอากาศคนตั้งใจฟังก็ไได้ฟังคนที่สนใจได้ฟังดีๆก็ได้ฟังที่อัตมาพูดแต่สะกิดใจไหมจะแก้กลับไหมที่มันติดยึดอยู่นั้นนะ่ะจะมาลองพากเพียรปฏิบัติศึกษาดีๆ่าตามพระพุทธเจ้าสอนว่ามาปฏิบัติมรรคเจ็องนี่แหละและปฏิบัติยังไงตั้งแต่ทาสมาธิให้รู้ก่อนสิบอย่างเนี่ย เราจะทํำยังไงถึงจะมณสิการเป็นทําใจในใจทานก็ทําใจในใจเป็นว่ามันเป็นอิอธทธิทินัทนนงทานก็ทําใจในใจมันลดกิเลสไม่ใช่ทานแล้วก็ไปสร้างพบให้กิเลสเป็นสวรรค์วิมานอะไรอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่อีกต่อไปโอ้ยทานก็จะเอาใหญ่เอาสิ่งแลกเปลี่ยนอันโน้นอั น, นนี้อยากได้นันนี้มีเป็นวิมานเอาไว้เออเราจะได้ไปเสเวยต่อเราพบ คุณสร้างพบคุณสร้างความต้องการอะไรไว้จากการให้หรือการปฏิบัติศีลพรน์ต่างๆวิธีปฏิบัติต่างๆคุณก็ต้องอยากได้พบนั้นอย่างได้พบนี้อยากได้พบนิพนพานอยากได้เป็นเทวดาองค์ น, นั้นองค์นี้งองค์ใดองค์นหนึ่งมันละเอียดลึกซึ้งอะหรือได้มาแล้วมาได้ดูไม่ได้ไปแล้วก็ต้องตรวจจชตวิคุณหูตังว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างนี้เป็นต้นนืทุกอย่างเกิดจากกรรม ตั้งแต่กรรมกริยากายวาจาใจทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็สั่งสมเป็นผลเป็นวิบากแล้วถึงจะรู้เป็นสมาธิฐิว่าอ้าววิบากอย่างนี้สั่งสมเป็นโลกุตรภูมิไปอย่างนี้มันยังไม่เข้าสู่โลกุตรภูมิเป็นโลกียภูมิอยู่คุณก็รู้ภูมิโลกนี้โลกหน้าภูมิโลกนี้คือโลกียภูมิโลกที่มันเจริญต่อไปเป็นสัมปรายิกภูมิเป็นโลกใหม่โลกโลกุตระมันต่างกันยังไง ออกจากภพโลกีไปได้ตั้งแต่อบายตั้งแต่การรูปภปพอรูปภพยังไงคุณก็ต้องรู้ภพภูมิต่างๆรู้โลกนี้โลกน้นอยังโลกโคปโรโลก โ, โคและจิตของคุ ณ, คณก็ต้องรู้สัตตาอภิวาติกาแล้วก็มีองค์ประกอบมีแม่มีพ่อมีเหตุปัจจัยที่จะช่วยกันทําให้คุณบรรลุธรรมตั้งแต่ศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อ ช่วยกันให้จิตของคุณเป็นอัจจิจิตขึ้นเรื่อยๆพายคุณเกิดการลดละคุณก็ต้องรู้ว่าเอ อ, อ น, นี้เป็นแม่ น, นี่เป็นพ่อจิตของเราสัตว์โอปปาติกะของเราเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆจากชั้นอบายเป็นชั้นกามจากชั้นกามเป็นชั้นรูปจากชั้นรูปเป็นชั้นอรูปอะไรต่าง ๆ, ๆางคุณก็ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ปฏิบัติได้นี่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจเลยยังไม่มีสมาธิถี่เลยก็ปฏิบัติกันไปเลยอย่าไปเลียน ไอ้บัญญัตินั่งรับตาไปอยากให้จิตออกนอกตัวซ้อนเงี้อย่างงี้อัตมาว่าเออนี่จมไปอีกนานกี่ชาติไม่รู้เว้ยพวกนี้ยซ้อนก็นอย่างนั้นเน่ยนีน่เขาหน้าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเองเขาเชื่อเขาถือก็อย่างนั้นนะแต่ก็อัตมาก็ไม่รู้จะทําไงอัตมาก็ต้องพูดก็ต้องบอกก็ต้องทั้งทุบทั้งตีทั้งทองทั้ง ทั้งทึบบด้วยทุธาเลยทำหยาบๆหนักๆไปหมดแล้ะเรารู้ว่าตัวเองนี่หยาบมากอยู่ทุกวันนี้แต่ไม่รู้จะทำไงแล้วมันหมดลีลาแล้วนี่เบาก่อนแล้วกลางก่อนแล้วหยาบก็แล้วก็เลยเอาเ่างมันเถอะท่าไหนว่าทำแล้วสรุปแล้วรูปประชานรูประชาญก็จะต้องเข้าใจ ยังถูกต้องตามบรญญายนภาษาหลักฐานยังดียังถ้าจะไปดองพระเจ้าเนี่ยยั ง, ยงถูกต้องยังดีงามเพระาะนั้นพระเจ้าถึงให้กำหนดตั้งแต่ศีลเอาแค่นี้แค่ศีลห้านี่แหละแค่อารมณ์กโกรธคนหนึ่งอารมณ์โลภคนสองอย้ายมันทุจริตย้ายมันแรงเกินขอบเขตนี้คุณแรงขนาดนี้ในโทรศ คุณแรงขนาดนี้ในโลภะคุณแรงขนาดนี้ในราคะคุณตัดกรอบว่าจะว่าคุณจะลดลงคุณก็ดูคุณที่โทสะโลภะราคะอะไรของคุณลดขนาดไหนก็ลดลเอาประมาณนี้เกินกว่านี้เราไม่เอาถ้ามันสัมผัสแต่ตอนมันมีอาการนี้ขึ้นมาเลยก็นี้หยุดตอนนี้เว้นขาดเลยอันแรกก็ต้องภากมาที่ชุ่มดิอย่างออกจากน้ําไม่เอาอย่างนี้แตะภาพขนาดนี้หนีเลยเรียกว่าภากมาที่ชุ่มดิอย่างออกจากน้ํา เพราะเราสู้ไม่ได้เราทําอยู่สัมพันธ์อยู่สัมผัสอ ย, สอยู่แล้วเราก็อ่านได้ทําให้จิตพิจารณาว่ามันมีเทียงมันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุจูงใจเรานาจริงจริงมันนี่เราจนเกิดญาณปัญญาที่จะทําให้จางคลายได้คุณสู้พิจารณายังไงก็สู้มันไม่ได้มันเสร็จมันเหมืนอน อ, อ, อ, อ, อ, อะไรเหมือนมา้าเห็นงูมาเห็นเชือกกลวย น่งูเห็นจะกล้วยเหรอไปมามันไม่ไม่สู้เลยอ่อนเลยหมดแรงเลยไม่เอาอย่างงี้เราหนีพากไม้ที่ชุ่มดียาวอย่างน้ำก่อนแต่ถ้าปกสู้ได้พอพิจารณาได้คุณก็สู้ไปพิจารณาให้เกิดพลังปัญญาที่มันจะทําให้กิเลสลดลงพวกเอาอะไรที่ยังต้องพลากอะไรต้องหา่างต้องเว้นขาดก่อนก็ขาด ถ้าอยู่ในฐานะที่บอกเอออันนี้ยิ่ได้พอไปได้คุณก็สัมพันธ์ไปแล้วก็พิจารณาไปทําไปปฏิบัติไปจนจิตของคุณมีภูมิมธรรมสูงอยู่เนื้อมันได้ก็เป็นจิตสุดสมบูรณ์แบบวิปัสนาวิปัสนาต้องอยู่เนื้อไม่ใช่หนีท่านหนีนัก็คือภาพต้นตากมาที่จุณยาออกจากนามในส่วนที่ไม่ไหวเมื่อทำไปตามลำดับศีลห้าก่อน นอก น, นั้นจะเป็นวาจาคุณจะไปทําทุจริตธรรมยกร อ, อื่นคุณยังทําอะไรละเอียดไม่ได้เขาจะโกหก ok. ยาบที่สุดล้ส่วนจะมีสอดเสียดบ้างจะมีหยาบคลายบ้างจะมีอะไรบ้างเอามันก็มีส่วนนี้มันก็ระมัดระวังเอาไปตามลําดับแต่โกหกนี่มันเป็นตัวชั่วร้ายทันทีหยุดก่อนนะสนก็บสี่ข้อห้าก็เมาคุณเมาอะไรล่ะอบายยมุกทั้งหลายแหละที่หยาบหยาบตําๆของแต่ละคน เมาเรื่องไหนคุณก็เลิอกอันนั้นก่อนอันนี้เดี๋ยวจะพึ่งสูงไปเอาไว้ก่อนแต่วาด่ขั้นนี้ก็ว่าไปตามลําดับสุราก่อนเมระยะค่อยทีหลังมัชชะค่อยปลายสุดมันเมาหยาบเมากลางเมาละเอียดเป็นกันขั้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็ทําตามกรอบนี้เป็นระดับระดับมันก็งาในเบื้องต้นทํากลางมันปลายราดลุ่มเหมือนฝัง่งทะเล ขงพุทธเจ้าครบพร้อมหมดทุกอย่างแล้ว <Yeah. S 1> เอาตอบสยญญาเลยคุณ<ำ>ดันเมฆน้ำมาสการขอโอกาสครับเอาโอกาสต้งเอาที่อุคารโวครับวันนี้ฟังพ่อครูประกาศพระอาหารหันตลอดเลยครับ ตั้งพ่อคูมอะไรก็พระอาหารหันต์ทั้งนั้นแหละครับไม่มีว่าไอเทศครั้งไหนไม่มีคำว่าพระอาหารหันต์คุณต้องเป็นให้ได้นะนี่ผมประทับใจนี่ครับแล้วก็ยังไงยังไงก็ต้องผมว่าต้องเอาให้ได้นะครับพระอาหารหันต์นี่มันเป็น oh. ครับใช่ครับมันเป็นของที่น่าเอาแล้วถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ครับถ้าไม่เอาคุณจะเจอแต่ความทุกข์ตลอด พูดถูกถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ครับใช่ครับไม่ว่าชาติไหนก็ช่างครูจะต้องเจอแต่ไม่เอาแล้วมันจะได้ยังไงใช่ใชครับขนาดเขาเอามายัดสั่ให้ก็เราไม่เอามันยังไม่ได้เลยครับแล้วก็ในเมื่อมีโอกาสอย่างนี้ครับผมว่ามันต้องต้องเพ่งเพียนอย่างสุดสาธุสาธุเนาะอนุโมทนาเอาให้จริงครับผมก็ผมอ่านหนังสือของพ่อครูเล่มแรก พมาเที่ยงคืนจบครับแล้วก็สารโสกครับอ า, อาหารเอย๋ยปีสองเจ็ดนู่นนะครับตื่นมาตอนเช้าผมทำอาหารเจกินครับคนเดียวครับทำได้ปีครึ่งแต่ไม่กล้าอ่านหนังสือของอโสกอีกต่อไปเลยครับเพราะว่าโอ้โหเห้ยเล่มเดียวเราก็ขนาดนี้แล้วอะไรๆที่เรากำลังมีมาสารพัดอย่างนี้ครับก็คงไม่เหลือแน่ <c oughs> ด้วยการที่ห่างเถินจากธรรมะครับไม่ฟังไม่อ่านไม่สนใจแล้วใกล้ไม่ได้แล้วทําให้เราเสื่อมครับได้ปีครึ่งครับทํามังสวิรัตมาอย่างเดียวังแต่อย่างอื่นก็ยังเพียบอยู่ครับสุดท้ายก็ต้องล้มปีครึ่งก็ล้มมาถึ ง, ถงปีสามสองพอดีครับ <c oughs> เหมือนขาอระครังเรียกปีนั้นผมก็เข้าไมา่ีาทีก็หาหนังสืออ่านแล้วก็ปฏิบัติ รัดๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่ชั่วโมงเล่านิทานแล้วครับใช่ครับตอนนี้คือว่าไม่ใช่ชั่วโมงเล่นละครครับใช่ครับเอานิยายของตัวเองมาเล่นนี้ตอนนี้มันเป็นการสภาวะจริงที่เราอยู่ได้ขนาดนี้นะครับใช่ครับมีบ้างขนาดนี้นะครับนานีอยๆขนาดนี้ ว่าพ่อท่านก็อานหารแก้วกลบผมว่าสิทธ์พ่อครูคิดว่าถามอครูมาเต็มที่เลยครับอะไรที่พ่มครูสั่งสอนมาพยายามทําทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะจะกินอยู่หลับนอนไอครบเครื่องครับว่าที่ว่าอะไรที่ว่าแน่แน่เจเจ๋อที่ผมลองเขาหมดครับที่พ่อครูได้สั่งได้สอนได้รู้ได้อาหารเห็นอะไรเนี่ยครับเอาเขาหมดจะหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ว่ากันครับอ อปีนั้นปี4ีผมก็เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่นั้นนะครับปีสาสองใช่ไหมครับออพอปีสีเกอายุไขพ่อครูไงผมให้อยู่ไม่ได้แล้วเขาเป<ว>คงจะดีขึ้นคนจะดีขึ้นเอาละ เขาตัดบทเลยนะครับเอาละเขอตัดบทนะเดี๋ยวคนอื่นบ้างมันนี่มันจะสองทุ่มละมีครับมีมีหน่อยครับเมื่อกี้พ่อครูก็ยาวจังครับผมก็คอยาวอยู่นั่นแน่โอ้โหเทียบเทียบรุ่นเลยนะเนี่ยครับผมก็ใช่ครับผมก็เชื่อพ่อครูคนเดียวเนี่ยครับที่สั่งผมได้นะผมก็ในบรรดาแมนนี้อัตราซูมไปหน่อยละเชื่อพ่อครูคนเดียวเนี่อัตราซูมไปหน่อยแล้วใช่ครับอไม่ดี ใช่ครับผมว่าอยู่ข้างนอกอัตานี้ไม่ได้ห่วงใครแล้วครับเป็นพลทหารนี่ก็ระดับระดับนาลผมก็ประกบเขาได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับก็ทำงม่รู้จักไม่ไม่รู้จักระดับไม่อ่อนน้อมทมตนครับใช่ครับถึงมาตั้งพุทธคาราวงไงครับอ่าไม่ดีอ่าคาราวงนี่ว่าโตดีอ้าวคนนี้แะเป็นคนรับใช้ครับจนปัจจุบันนี้อเมื่อเมื่อ่าเมื่อเมื่อเมื่อือมเ ปัญญาไม่คยดีครับถ้าปัญญาเข้าคุณครูเปัญญาเนี่ก็ยอมรับปีนั้นนะครับนี่ครับปัจจุบันเนี่ยครับคือว่าผมเอาเข้าเป้าเลยเข้าเป้าเลยครับว่าพระอรหันต์เนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีและมันใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะเจอสภาวะขนาดไหนเราจะโดนทุกรูปแบบยังไงยังไงหนักๆยังไงผมแม้แต่เส้นทางเส้นนี้เส้นทางพระอรหันต์เดินเนี่ยอโศกเนี่ยผมว่างั้นนะครับ มันก็ยังไม่ได้ราบเรียบปูด้วยดอกกุหลาบหรอกครับพระพุทธเจ้าอยู่ห้าองค์พร้อมกันก็ทั้งนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรปูด้วยดอกกุหลาบหรอกมันควัดอกกุหาบหทั้งบทดนี่นะครับอจะเป็นโจดให้เราแล้วเป็นอาวุธลายสาคัญให้เราทิ่มแทงเราตลอดเวลาถ้าเราไม่แน่จริงเราอยู่ไม่ได้จริงครับผมอยู่ได้ก็นี่แหละครับ ก็ถ้ามาพูดไปมันจะยาวไปแม้เรื่องมันจริงจริงก็จะยาวดีละรู้ตัวมาพูดไปแล้วจะยาวดีมากครับยาวครับอย่างงั้นผมขอเปิดโอกาสให้ของพวกเราต่อแล้วกันครับอ่าสาธุอ่าดีขอโอกาสค่ะอ่าขอน้อมขอโอกาสค่ะและขอเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเนียนใจค่ะอยากจะมีมีคำถามพ่อครูค่ะมีคําถามพ่อครูว่าสมาธิฏฐิในปัญญาหกนะคะ ช่วยเสริมหนุนสมาทิฏฐิในมรรคแอย่างไรอยากให้พระครูอธิบายตรงนี้เพิ่มค่ะในมรรคแนี่นะเขาไม่มีปัญญานในมรรคแมันไม่มีปัญญามันมีปัญญาอยู่ในผลสองนะสมมตตะ10มีมรรคแผลสองผล2คือญาณกบิมุติญาณคือตัวปัญญา ปัญญามันอยู่ที่ผลสองฤหรือวิชามันอยู่ที่ผลนะอาทิตนี้ถามถึงว่าปัญญาในองค์ธรรมปัญญาในองค์ธรรมของมัชสมาธิิปัญญาในสมาธิเนี่ยแล้วมันอยู่ในในใ น, ในตัวเป็นมัชเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองเนันเกิดจากการปฏิบัติมัคนี่แหละปฏิบัติมัช ก, ก็ตัวที่6ขององค์หกก็คือมัรขังคะ คือองค์แห่งมัดคุณปฏิบัติสังกปะวารจากรารมันตาอาชีวะด้วยสมาธิติเป็นประธานด้วยสมาวายามาสมาสติช่วยนะเกื้อกูลช่วยเหลือสมาธิิไปตลอดนะแล้วมันก็จะค่อยๆได้สมาสมาสังกปะก็ได้ไปสมาวาจาก็ได้ไปสมากรรมันตาก็ได้ไปสมาอาชีวะก็ได้ไปเข้าลงเรื่อยเป็นตรงเหมาะควรตามลำดับตามลำดับตามลำดับโ ด, บดวยกว่าปะโหติ ที่จริงโหตินั่นก็คือการมีนั่นแหละมันก็มีสิ่งที่ควรสิ่งที่ได้มาตามลําดับประโหติไปตามลาดับตามลำดับเมื่อคุณปฏิบัติทับมรคขังฆะด้วยปฏิบัติมรคองคเจตนี่แหละมันจะต้องใช้ธรรมวิจัยสัมโพธชงมันจะต้องใช้โพธชงนั่นแหละท่านเอาจะทำวิจัยมาท่านไม่ได้เอามาท่านไม่ได้หมายความว่าโพธชงจะเอามาได้ธรรมวิจัยท่านหยิบมาตัวหนึ่งก็ตัวนี้เป็นตัวหลัก มีสตินั่นก็รู้อยู่แล้วในมรรคองค์8เองก็ใช้สติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโพ่อชงก็ไม่ต้องไปพูดถึงสติตัวนั้นอีกโพ่อชงมีสติสัมปชงก็จริงเอาตัวธรรมวิจัยมาประกอบช่วยก็คือทำมวิจัยเมื่อคุณวิจัยทำไปตลอดแล้วคุณก็มีสติแล้วก็มีธรรมวิจัยจงกระทั่งแยกแยะระู้สัมปชา ย, ยะสัมปชานะสัมปาเทติสัมปชัตติสัมป ช, ามป ช, ามปชาลาติอะไรต่างๆที่อาตมาแยกให้ฟัง คือจิตมันทำการแยกแยะวิพภัยวิจัยวิจารขก็มันไปจนรู้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี้ทำอย่างนี้คืออันนี้ทำอย่างนี้สำเร็จอันน <sh> um ี้ทำนี้มันก็จะเป็นจริงไปตามลาดับการแยกแยะทำอย่างนั้นถูกน้นะมันก็จะเห็นจริงเลยว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมันเห็นจริงเห็นจริงในการปฏิบัติไปอ๋ออ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นั่นคือปัญญา การกําหนดรู้ความจริงในขณะที่กําหนดรู้สัมผัสไปทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามทั้งภาวะองค์ประกอบนอกในกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารคุณรู้ไปเรื่อยปรุงแต่งไปปรับปรุงไปจัดการไปเรื่อยมโนสิการไปเรื่อยเื่ก็จะอ้ออไออ้ออ้อเนี่ยแหะเพิ่มภูมิปัญญาเป็นกําลังอินทรีย์ปัญญาปัญญาปัญญินทรียปัญญานอินทรีย์ปัญญาพละคือตัวสมบูรณ์แบบตัวเต็มตัวผล สูงสุดก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจากมรรคที่บอกว่าไม่มีตัวคำว่าปัญญามันเกิดผลคือผลสองยานกับวิมุตตมันจะเกิดวิชาและวิมุตตเกิดรู้วิชาหรือวิมุตตหรือยานหรือวิมุตตมันจะเกิดปัญญาเป็นผลตามมรรคที่ปฏิบัติ7จองค์นี้ไปเรื่อยๆคุณถามว่ามันจะเป็นปัญญาตรงไหนมรรคมันปฏิบัติแล้วมันถึงจะเกิดปัญญา อารที่อธิบา ย, ยานี้ก็พอสมควรคล้าพอสมควรก็เกิดจเจริญขึ้นปัญญาปัญญินซีปัญญาพละก็ตัวสูงสุดปัญญาพละกำลังของปัญญาหรืออินซีของปัญญาความเป็นใหญ่ของปัญญาก็เติมขึ้นเรืเร่อยๆจนเต็มเต็มก็เป็นเรียกว่าปัญญาพละหรือผลผ ล, ผลสุดค่ะกราบขอโอกาสอ่ากราบขอโอกาสเอาต่อ ธรรมัรการพ่อท่านค่ะสมสิารูปนะคะค่ะพ่อท่านเปรียบเทียบพวกเราก็เหมือนกับน้ำทุเรียนนะคะไม่ทราบว่ากรอนไปบ้างหรือยังคะท่านเออบางไปบ้างยังบางถ้าบะไม่บางไปบ้างป่านนี้อยู่กันไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกจะพยายามนะคะพ่อท่านก็มาปีนี้พ่อท่านรู้สึกว่าก็ใช้ มีดที่คมมากขึ้นนะคะใช่ใชช่ก็เลยค่อยชั่วไม่งั้นมันเนาะไม่งั้นมีดทื่อๆนี่เราเจ็บเนาะช้ำเนาะตัดก็ไม่แห่ไม่ขาดได้ที่ช้าช้าแล้วช้าอีกระบมแล้วระบมอีกเนาะทีนี้ค่อยชั่วได้ตัดชึบไม่รู้สึกตัวเลยว่าขาดแล้วอะไรเี้เนาะไม่ทราบว่าโอกาสายุขใหม่ของพ่อท่านนี้พ่อท่านมีมีมีความรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงดีเป็น เป็นที่น่าพอใจในใ น, ในท่านบ้างขนาดไหนคะอ๋อแวะมาถามสุขภาพอาตมาค่ะอ๋อดีอาตมาว่าสุขภาพอาตมาดีอยู่นะคะดีถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปนี่อายุเก้าสิบก็เป็นอย่างนี้อยู่โอ้ยังกระปี้กระเป่ายังแข็งแรงยังไม่มีอะไรที่จะนี้อย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละ ไอขนาดนี้กยังเท่านี้มันก็มีแต่เรื่องไอเท่านั้นะพอท่านขึ้นขึ้นบทวันนี้นอนน่ะน้นไม่มีอะไรหรอกพุทธชีวศิลป์เนี่ยพ่อท่านบอกเหมือนกับพ่อท่านท้อแท้กับสังขาร80ปีไม่มีแก่ของพ่อท่านนะคะก็เหมือนกับพ่อท่านบอกว่า่าประมาทในว่าจะไม่ไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอา้อาวเคยจะไปประมาททำไมล่ะก็กลัวว่าจะไม่ทันพ่อท่านนะคะก็อยากจะให้พ่อท่าน มีอายุไขเริ่มต้นตอนนี้อายุไขใหม่พ่อท่าน9ปีนะคะถูกไหมคะฮะ <Huh? S 1> 9ปีอะไรอายุไขใหม่พ่อท่านอ๋อ oh. ถูกไหมคะ <laughs> เพิ่มมาจาก72เลยค่ะ uh. 9ปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเรานะคะ <c oughs> ได้เกิดวนบอนะคะปีนี้ได้มาอยู่ใน ใต้ร่มโพของพ่อท่านหลายคนนะคะดิฉันก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนนะคะพ่อท่านสืบเนื่องจากการประชุมการเงินการบัญชีเมื่อวันที่9เมื่อวานนี้นะคะก็คือคือบ้านราชเมืองหลวงนะคะก็อยากจะให้เป็นต้นแบบนะคะเพื่อสร้างระบบการจัดการต่างๆให้เป็นระบบ เพ่อการเรียนรู้เห็นด้วยเห็นวนอบร์นะคะก็อยากจะให้พ่อท่านได้ได้อธิบายได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการอะไรต่างๆได้เรียนรู้ร่วนดาช่วยโอกาสนี้ให้พูดถึงเรื่องนี้อ้าวได้ในเรื่องการเงินนี่เป็นเป็นเรื่องลําบากเนีเป็นเรื่องที่มันง่ายในการที่จะกวนกิเลสกวนทั้งกิเลสคนที่ดูแลรักษาเอง กวนทั้งกิลเลสคนอื่นที่เราเองจะต้องเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเป็นสาธานาโปคีเรื่องเงินเนี่ยมันจะมันจะยากและมันเป็นเรื่องสำคัญที่คนจับผิดด้วยคนที่ถือสานะเป็นความผิดได้เป็นจุดสำคัญเรื่องเงินเรื่องทองนี่เพราะเรื่องเงินทั่วโลกเดี๋ยวนี้เรื่องเงินถือเป็นแก้วสารพัดนึกถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทั่วโลก แล้วเราคนต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้หรอกในระบบสังคมส่วนรวมตัวเองคนเดียวไม่มีปัญหาเราเราไม่ใช้จริงๆได้แต่ส่วนรวมมันต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้เราอยู่กับสังคมไม่ได้นะมันต้องใช้มันต้องมีระบบมันต้องเข้าร่วเข้าร้องมาถึงวันนี้ปีนี้แล้วนะที่พวกเราเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามาพยายามที่จะทําเรื่องของการเงินให้เป็นระบบที่ดีอัตมาอนุโมทนาอย่างยิ่ง ทำเถอะก็ขอบอกให้บอกว่าถ้าเผื่อว่าผู้ที่ดูแลการเงินหร้ได้เกี่ยวข้องกับการเงินมามีความผิดพลาดอะไรมาก็ตามหยุดสิ่งที่มันผิดพลาดหรือไม่ดีไม่งามนั้นเสียหยุดเลยแล้วก็อย่าไปถือสา ก, กันจบตั้งต้นใหม่ตั้งต้นไปเลยแล้วก็ทำการจัดการตรวจสอบแล้วก็มีอะไรอะไรก็มาว่ากันไปเท่าที่มี จัดระบบจัดระเบียบให้เข้าระบบระเบียบเป็นสากลเข้าระบบระเบียบที่ร่วมได้ทั้งเราเองทั้งข้างนอกข้างในในมันมีอยู่แล้วระบบมันมีอยู่ข้างนอกเขาก็มีสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราจะได้รู้ความจริงของระบบการเงินของพวกเราอย่างดีเสื้อตมาว่ามันจะดีมากเลยเราจะได้รู้ความจริงเราจะรู้จุดบอดจุดบกพร่องมันจะรู้สวอ สวอตเนี่ยอาตมาอยากจะเติมให้อีกตัวตัวหนึ่งนะ S W O T ไม่พอมันจะควรจะเติม S อีกตัวหนึ่ง s ว a ตส s ตัวหลังนี่คือ Self อัตตาอัตัญญุตานะไปเสนออาจารย์นั่นเองเาเท่าคนสร้างสวอตสมาแล้วก็ก็ดีแล้วล่ะอาตมาอยากจะให้เติมตัวนี้มันจะได้ครบสบปริสรรม7ประการ มีอัตตัญญตามีตัวเองมีเซลฟ์เอสตัวนตัวเซลฟ์นะเมื่อเราจะรู้จุดได้จุดแข็งอะไรต่างๆนานาของพวกเราแล้วเราก็จะได้จัดทำอะไรๆขึ้นไปเป็นรูปแบบเป็นระเบียบ ร, ระบบที่สมบูรณ์แบบนะในเริ่มทำกันก็ดีแล้วก็ขอบอกทุกคนผู้ที่ดูแลการงวงการเงินอะไรสบายใจได้ไม่ต้องห่วง ขออภัยนะถ้าเพลิดพลาดใครคีดว่าพลาดก็ตามก็ อ, อย่าหาว่าว่าจะปิดจะพราดจะบกพร้องอะไรมาก็เอาเถอะหยุดอย่าทําต่อเพราะว่าการทํากรรมใดผิดกรรมนั่นเป็นของเราคําทำกรรมใ ด, ด, ดถูกมันก็เป็นของเราทําแล้วก็มันผิดก็จะไปทําต่อทําไมทไมําไหมอันนี้เราไม่ถือสามไม่ไปเท้าความไม่ต้องไปเอาเรื่องอะไรก็หละ่ะนะขอให้ทำอย่างนี้นะจัดการไปเลย ต่างระบบไปดีแล้วก็ว่ากันไปเลยมีอะไรรก็ว่ากันไปตามนี้ตามที่เป็นที่มีเอาให้เรียบร้อยนะำทำเลยโอากาสครับกล้าทำกล้าทครับอยู่ไหนอ๋อครับผมวันนี้ฟังพ่อท่านเทศแกว่าอัตมามาเอาคนสุดท้ายแล้วครวาสเดี๋ยวหาสมณนะมา วันนี้เราเริ่มต้นสองทุมเอ้ยทุ่มเอ้ยแปดหกโงตรงท่านอ บ, าบอว่ามามาพิสูจน์ศัจธรรมคือไม่มีวุดไม่มีอะไรไม่มีอาจารย์อะไรเลยคือคือคือไม่มีวุฒอะไรมารับรองเลยแต่เท่าที่มาพิสูจน์สัมผัสหรืออะไรแล้วก็ยิ่งศรัทธายิ่งยิ่งยิ่งเคารพนับถืออย่างมากเพราะว่า เห็นอริยบทของพ่อท่านนี้ยิ่งแก่แต่ว่าไปไม่ว่าไปที่ไหนที่สันติก็จะเห็นพ่อท่านเดินตรวจงานจุดนู่นจุดนี้มาบรรลันี้ก็ตอนเที่ยงเที่ยงพ่อท่านก็เดินเท้าเปล่ากับปัจฉาอ๋ออธิวัชก็เดินเท้าเปล่าตอนไหนต่อะไร <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็ย้ำย้ำให้ชัดนะครับคือเดินเท้าเปาล่าในถนนหนุนรังทั้งแดดฝนแล้วก็บางทีเดินไปท <ำ S 1> ไปั้งเป็นแทนจะมาเดินเท้าใส่โซ่ได้ง่าย ไ, <c oughs> ไม่ดีหรอก <c oughs> แล้วคุณตรบพ่อท่านก็ตรวจงานทุกที่นะครับ ่าในคือเห็นอาจายบทแล้วก็ยิ่งศรัทธาแต่ขณะที่ลูกๆที่เนื้อหาที่พอท่านอขยายธรรมะนี่ก็สุดยอดคือให้ให้หลุดพ้นแต่ทีนี้ลูกๆก็คือศึกษาแล้วก็เหมือนอย่างกับผมเนี่ยเหมือนกับย่าหยุดกับที่เหมือนปอขี้ไก่อย่างเงี้ยคือคือไม่ไม่สูงเหมือนอันท่านอะไรวุฒิคือเหมือนกับไม่ไม่ไม่ขยับไปหน้าเหมือนกับจิตแป้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่นี้ในโอกาสนี้ก็อยากถามพ่อท่านว่าในธรรมะที่พ่อท่านสอนมาตั้งหลายปีอมีลูกๆ ก, ก็ประมาณนี้แล้วลูกๆประมาณนี้ก็เหมือนกับเลื่อนชั้นบ้างหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นครูผู้สอนที่อื่นก็คือเลื่อนชั้นจากปหนึ่งปอสองปอสามปสี่แต่นี้ลูกๆที่พ่อท่านสอนนี้พ่อท่านรู้สึก พอใจไหมหรือว่าเอ๊ะทาไมสอนให้หลุดพ้นแต่เหมือนกับน็อดหลุดเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็กราบว่าท่านว่าเอรู้สึกพอใจกับภาวะของลูกที่เป็นที่ระดับนี้หรือว่าเอ๊ะทำไมได้แค่นี้อะไรกราบสาชการครับอ้าวอาตมาไม่ได้เป็นคนที่ตะกรตะกรามอะไรนะจะได้มั่งไม่ได้มั่งได้มั่งเสียมั่งไม่มีปัญหา เพราะคำถามเธอ ว, ว่าพอใจไหมที่ทามาจกนกระทั่งป่านนี้ถ้าไม่พอใจป่านนี้อาตอมาอ่อนแรงแล้วถดถอยแล้วแต่ตอาตมายังฟิดปังอยู่เลยนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบว่าฟิดปังยังไม่ได้ท้อถอยเนี่ยมันก็เป็นความหมายาไปพร้อมกับว่า มันน่าจะมีผลหน้าไม่มีผลก็คงจะไม่ค่อยจะมีกําลังเท่ายห น, น้าคนนะนะจริงๆมันมีภาวะมีผลนะมีผลอยู่เรื่อยๆแหละมันจะดูรูปธรรมเหมือนมันน้อยลงเช่นขนาดนี้เนี่ยสมณะมาบวชน้อยลงตายไปมั่งศึกไปมั่งน้อยลงบวชใหม่ขึ้นมาไม่ค่อยจะมีมากนะ อาตมาบอกเหตุได้ว่าที่มามบวชแล้วเนี่ยไม่มีมากขึ้นนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าตัวผู้ที่เป็นเป็นนักบวชเนี่ยมาแสดงตัวที่มันไม่เหมือนกับมีฤทธิ์มีธรรมริทธ์แบบอนุสาสนีปาฏิหารนั่นไม่ใช่ธรรมริทธ์แบบอิทธิปาฏิหารนาเทศนาปาฏิหารมันไม่แสดงธรรมริทธ์ที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารจนประทับใจ คนที่อยากจะมาเป็นสมณะบ้างแต่มันก็มีมันก็มีคุณสมบัติที่เป็นอารียธรรมพอสมควรที่อาตมารับได้รู้ได้ว่าโอ้แต่คนที่มันไม่ค่อยจะรู้รายละเอียดเนี่ยมันก็เห็นมาเหมือนกับมันไม่มีอะไรมากอ่าโดยเฉพาะในภูมิคนเนี่ยทั่วไปในขามองสมณะว่าจเจริญเนี่ยขามองไม่่อยออกว่าจะสมณ ะ, จะเจริญคืออะไร เขาจะเข้าใจแบบโรงกีตอนนั้นสมณเจริญก็คือหนึ่งมีคนนิยมนับถือมากขึ้นเป็นตัวเครื่องบอกเครื่องบ่งชี้เป็นดัชนีชี้ค่าที่คนจะมานับถือในส่วนมากคนมันเอาวิชาเยอะมันก็จะมานับถือคนที่เก่งลิตเดชคนที่เก่งอานิสงส์จิตพังเขารวยราบรวยยศรวยสันเสริญนั่นแหละคนจะมานิยมเยอะแต่นี่วันนี้มีของเรามไม่เป็นคนอย่างนั้นพระของเราสมณะของเรามไม่เป็นมีสมณะแบบนั้นเลย เพราะฉะนั้นมันจึงดูยากอ่านยากว่าสมณะเราจเจริญหรือไม่มีธรรมาริตหรือไม่สมณะของเรามีธรรมาริตแต่คนดูไม่ออกคนจึงนิยมน้อยหรือไม่ค่อยนิยมจึงมาบวชชาไม่มาเติมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ว่าผู้ที่เห็นว่าธรรมะของอโศกนี้ดีก็จะเข้ามาเป็นฆราวาสมาเป็นนักปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเป็นนักบวชเท่าไหร่เพราะรู้เหมือนกันถ้ามาเป็นนักบวชแล้วถูกจํากัดศีลมันเยอะข้อจํากัดมันเยอะสู้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเป็นคารวาส ด, ดีกว่าไม่จะไม่ไม่ต้องทุกขร้อนมากมันจะเกิดภาวะเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นนี่ซึ่งอาตมาเข้าใจที่ผูดในฟังนี้ก็พูดในฟังว่าอาตมาเข้าใจอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นในวงการของชาวโสด เพราะค่าเฉลี่ยรวมแล้วเนี่ยอตมาบวกลบคูณหารแล้วเขายืนยันว่าอโเราเจริญอยู่อโศเราเจริญอยู่มวลก็เจริญแต่มันไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็มีอัตราการก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอยู่จะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เราพูดธรรมะเนี่ยคนรับฟังได้ง่ายขึ้นแต่เขามายีกันมากแล้ว ไม้เหมือนก่อนนะไม่เหมือนก่อนจริงๆนะทั่วไปนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะอัตมาว่าธรรมะของเรามาติดลมแล้วมันเป็นว่าาติดลมบนแล้วนั่นไม่มีปัญหาหรอกภาคเพียรไปเถอะนะขอให้ติดลมบนจนกระทั่งรอยเป็นนิจจังทุกองศาสตังงให้ได้ทุกคนก็นแล้วกันนะอ้าว อาที่นี่สมณา น, นะนักบวชสิกามาสใครจะเอาก่อนสิกามาสก่อนแล้วก็นับบวชก่อนสมณะก่อนอา้ากราบข อ, อการอา้าเดินคิดว่าท่านอะไรที่พูดก่อนทุกวันท่านจะพูดก่อนท่านท่านท่านท่านอะไรนะถ้านักแน่นนะท่านปกติจะต้องพูดก่อนนะฮะไปไหนเราไม่รู้ค้าวเป็นใดไหไมะรู้เป็นเลยไหไมรู้ก็ ฟังธรรมะที่เป็นปรมัติตนะคะวันทวันนี้ก็ทําให้เราได้ได้เหมือนได้พลังพลังแห่งการอะไรอะ ส, สลายสลายสิ่งที่เราเกาะยึดติดยึดถูกพันมานะคะพอเราได้สลายการก้าวไปของชาวโศกก็ก้าวๆเติบโตขึ้นเนี่ยว่ามันก็เป็นเรื่องของความสอดคล้องซึ่งกันและกันนะคะ ธรรมะมากขึ้นก็ต้องพัฒนาตัวมากขึ้นพุทธบริษัทติก็ต้องแข็งแรงมากขึ้นกระบวนการกลุ่มก็ต้องสอดคล้องกันมากขึ้นนะฮะฟังคุรุขูอ้อยพูดเรื่องการบัญชีการเงินอะไรดก็รู้สึกเออถ้าเรามีความนากันไปเป็นกลุ่มเกลียวบริษัทสีเติบโตขึ้นไปออแผ่นดินพุทธมันก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะะสมบูรณ์แบบมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ เนื้อรูปประธรรมมันชัดเจนมากขึ้นปรมาตธรรมก็ต้อ ง, ต, องต้องละเอียดลึกซึ้งเวลาฟังพ่อครูรู้สึกว่านี่ น, นีนี่ใจดิฉันนะเอาเอาใจเอาเอาแบบมีกิเลสหน่อยแล้วกันฉันนะ่ยไม่ค่อยชอบฟังเวลาพ่อครูพูดไม่ค่อยชอบเลยนะฮะน้อยน้อยไม่ใช่ไม่ชอบมากนะค่อ ย, ค, อยค่อยนะฮไม่ค่อยชอบตอนพ่อครูพูดไปเรื่องลือสีเรื่องอะไรอะ่ะอยากให้พ่อครูไปปรามัดแบบ มาพาบรรลุไปสายพุทธเนี่ยนะฉันรู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยเลยเวลาฟังฤทธิ์ีเนี่ยมันไม่สนุกเลยฤทธิศีนี่มันเก่าเกินไปพวกเราคงไม่เป็นละมั้งคิดอย่างงี้นะแต่พอคิดไปคิดมาเอ๊ะ ก, ก็เป็นทุกทีเนี่ยวันนี้คุณดัชนีก็พูดอีกนะเอ๊ะมันเป็นหนักเหมือนกันนะฤทธิศรีนะตัวดิฉันก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่พอเดี๋ยวนี้มันสนุกกับวิธีการแบบพุทธเวลาพ่อท่านพูดร้อยเลียงไอภาษาปรามมัติแบบ หักฐานกิเลสแบบสายพุทธรู้สึกว่ามันสนุกมันเหมือนกําลังขึ้นบันไดแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นแล้วก็ลงส่วนไปส่วนมามันสนุกคะพอเวลาฟังเพราะครูพูดถึงดุสีมันรู้สึกเก่าแก่มากเหลือเกินนะแต่พอพ่อท่านพูดถึงเทระตะมาคมก็รู้สึกบาดเสียวหน่อยๆเวลาไปปิณฑบาตนะเอท่านท่านเห็นพวกเราแล้วนึกนี่ลูกศิษย์พระโพธิลักษณ์มาแล้วนะแล้วก็เตียวๆเหมือนกันแต่ไม่ได้เสียวกลัวนะแต่รู้สึกว่าเสียวว่ากลัวท่านไม่ชอบอะค่ะ อันนี้ท่านหนักแน่นมาแล้วมอบเวลาให้ท่านนะท่านจะได้เต็มล้านเร็วมีอะไรจะพูดหรือย่างนั่นตั้งใจว่าจะพูดด้ยเชิดแต่ไม่รู้จะพูดอะไรขออกาสครับคือฟังฟังพ่อครูเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเข้าใจได้หลายเรื่องนะอย่างสมมติเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปหาเงินหาทองนะหารับยศสรรเสริญนี่อะไรพวกนี้ลงทั้งแรงลงทั้งทุนลงท้ง หลายอย่างเพื่อที่จะได้โลกรี <c oughs> เพื่อจะเสริมกิเลสอัตตามานะเสริมกิเลสให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยเราลงลงทุนไปมากเลยนะหามรุ่งหามคร่าแล้วนะไม่ได้กินไม่ได้นอนเพยายามไม่มีให้ได้อย่างจะมาดูหนังเรื่องของแ <c oughs> ดจังกึมเนี่ยพยายามที่จะกินให้อร่อยให้อร่อยกินแล้วก็ป่วย <c oughs> ป่วยแล้วก็รักษารักษาแล้ว ก, ก็ป่วยป่วยแล้วก็รักษาอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะ แต่เรามาศึกษาเรื่องโล ก, กุตราเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาแต่ตัวกระหัวใจแค่นั้นจเจริญธรรมจริงๆนะอย่างที่ท่านหนังแน่นสรุปคนทั้งโลกมันไม่รู้มันอวิชามเป็นอย่างนั้นอะงมซ้ํายําอยู่นนะขยําขี่อาตมาใช้สาวกขยําขี่แต่เขาไม่รู้ว่าขยาําขยําขี่พอบอกว่าในขี่นะเขารู้อีแต่เจริญธรรมขาขยำบอกเฮ้ยขีนะ่นั่นอีแลว้วก็บขยำอยู่กับเ เป็นอย่างนั้นจริงๆคนอ่ะเอ้าว่าใครอีกห้อไหนอ่าถ้าไม่ก็ไม่ละมันยี่สโมงยี่สสองทุมครึ่งแล้วเราเริ่มต้นสิบแตรงสิบแเลยนิดหน่อยอืขอโอกาสครับกับขอโอกาสครับเอ้าแยกกันละทีนี้เอ้าเอ้ออีกสององค์เอ้าเอ้าอเลยเอ้าเลยครับผมนิดเดียวฮะ คือวันนี้พ่อนั่นขึ้นตนเนี่ยบอกว่าตอนนี้พ่อครูอายุ80ปี4เดือน5วันแล้วเราก็ฟังทำหลายทีเนี่ยเห็นพ่อครูก็ไออยู่เรื่อยจนบางทีทั้งบ้านก็โทรศัพท์มาบ้างเนืน้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ปัจาก็อยู่ใกล้ๆทำไมไม่ช่วยดูแลไม่ทำอะไรเนี่ยอยากให้พ่ะครูชื่อเอาตัวลงพูดถ้าเปิดเผยคือเรื่องไอของอาตมานี่แม่แต่หมอนี่ก็จนแต้มหมอประภพศดุวิชัยยุทธเนี่เป็นโรงพยาบาลที่มีสเปเป็นสเปเชียลิสต์หมอประพศเนี่ยเรื่องตาหูคอจมูกเนี่ยเป็น เป็นแพทย์ที่เป็ น, ปนแพทย์ชนานาญพิเศษในเรื่องนี้โดยตรงอัตมา ก, ก็ไปรักษาด้วยรักษาอยู่นานเป็นปีเสร็จแล้วท่านก็น ล, งนลงโทษไม่ใช่ลงโทษลงผลลงเอวยวว่าสรุปว่าท่านมันมันไม่รู้เหตุนะมันรักษาไม่ได้แล้วมันคงเป็นเอจจิ้งสรุปว่าเป็นเอจจิ้ง ตามวัยอาตมาก็รับทร า, มาบมาเสร็จแล้วก็มาพวกเราก็พาไปรักษาที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นอีกต่างๆนานาก็อยู่เหมือนกันนัยยะเดียวกันมันก็หาเหตุไม่ได้ไปโทษอะไรบั่งโทษอนนุนบั่งอนีมั่ ง, อ, นนงอะไรต่างๆนานาแต่อาตมารู้เ้อา่อาตมายอยู่อย่างเท่านั้นเองก็บอกไปเลยที่จริงบอกไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มัน เหมือนไร้สาระนะบอกไปแล้วก็เหมือนไร้สาระแล้จะไม่มันทําให้พวกเราประมาทอีกโดยซ้ําไปก็เลยไม่อยากจะบอกเท่าไหร่แต่บอกก็ได้แต่ว่าต้องให้รู้สําคัญว่าไม่ใช่ว่าไม่เอาภาระก็เอาเพื่อนกันเอาภาระไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยปละแล้วเลยไปตามยถากรรมไม่ใช่ก็ต้องช่วยกันดูแลเหมือนกันเท่าที่เป็นไปนได้นะโรคข้ออัตมาเป็นโรควิบาก นะบอกได้ว่าเป็นโรควิบากเมื่อบุญญาต่อตท่านก็มีโรควิบากของท่านไม่มีใครรักษาให้ท่านออกท่านก็ตายไปกับโรควิบากของท่านไปนะท่านเดียวก็กหลายรูปที่ตายไปกับโรควิบากไม่มีอะไรรักษาหายหรอกจะค่อยยังชั่วจะเป็นอะไรอะไไปได้หายได้ถึงว่าระเวลาหายได้นะหายได้เหตุอันนั้นก็ได้มันก็ต้องมีมาเหตุละโอ้โอ้ พ่โทย้ยรักษาโรคอัตมานี่เอาหูษสาไปหายาหาอยู่นั่นมาจีแทกินมะเขือนี่เองหายโอ้โถมันก็ถึงเวลามันกินมะเขือก็หายจริงรเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอก็ราขาอะไรมากินหรือว่ารักษาดูแลไปโอ้เอายานี่ถูกอันถูกก็คืออันถูกสุดท้ายอ่ะอ่า จริงอันถูกสุดท้ายเพราะว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งแหนเฮนอาตมาไอาออกอากาศแล้วก็ส่งมาแล้วทางไปรษณีย์ทางอะไรก็ส่งมาส่งมาอาตมาขอบคุณขอบคุณอาตมาก็ขออภัย ต, ต่อความจริงฉันบ้างไม่ฉันบ้างแต่ไม่ฉันบ้างในมากขอให้ต่อความจริงฉันบ้างนน้อย อพระจะมารู้อยู่เพราะที่ทุกคุณส่งส่งมานี่ยนะที่นี่มีขามาให้เกือบทั้งนั้นแล้วล่ะที่คุณส่งมานี่จะมาซ้ําส่วนใหญ่นะข้างนอกพราะคุณไม่รู้ว่าที่นี่มีแล้วอย่างใไรมากแล้วขอในตลาดโลกนี่มันจะมีสักแค่ไหนกันเชียวชาวโสมนี่ยังไ ม, ไม่มีความรู้หรือไงพว <c oughs> กชาวโสมมีความรู้นะเข้าใจรู้อะไรแต่ไรมีอะไรหามาทั้งนั้นเน่ยนะนะ เรางั้นก็ขนขวายก็ช่วยกันไปตามควรเท่านั้นเองไม่ต้องไปเดือดร้อนใจอะไรนักแต่ขนขวายไปตามควรอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะมันก็ตอบได้อยู่แค่นี้นะที่ท่านดินไทยอยากจะให้อาตมาพูดเปิดเผยสู่สาธารณะด้วยบอกออกไปมันก็เป็นไปตามสัจ ธ, ธรรมแล้วมันก็จะเป็นหลายๆอย่างขึ้นไปอายุมากขึ้นความเสือ่อมมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ก็จะมีก็บระบวนการมันไปนั่นได้เท่าไรก็เป็นไปเป็นไปเป็นไปมันจะได้เท่าไรอะไรยังไงก็ว่าไปอาตมาจะพยายามอยู่ว่าจะสร้างอภินิหารสักอย่างหนึ่งว่าอาตมาจะหนุ่มขึ้นกว่าเก่าเนี่ยจะสดขึ้นกว่าเก่าจะแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าอะไรนี้ให้ได้ไหมเท่านั้นเองซึ่งไม่ง่ายเลยแต่ไม่รู้จะทําได้ไม่ได้ I will Try. จะเริ่นทำมีรายการเย็นน่ะเหรอตอนเย็นน่ะเหรออ๋อเย็นวันอาทิตย์นี้จะมีรายการตามประสามาชุมนุมกัน ใคล้อืออไออุ่นนะแต่ว่าอาตมาก็จะมีอะไรไปตามระษาไปตามนะเย็นอาทิตย์วันอาทิตย์นี้คือวันบร์นี้ไงวันนี้วันศุกร์ฮะไม่ได้อาขาสองขาเทศเช้าอันนั้นเปนเรื่องพวกเราเพราะว่าอาตมากำลังเดินทางเข้ากรุงเทพวันที่18นี่ก็พงวอาทิตย์มันไม่มีอีกแล้วมันมีอาทิตย์ที่จะถึงวันปร์นี้ตอนนั้นเองวันที่12ใช่วันนี้1ใช่ไหม วันอาทิตย์สิบสอารหน้าเสารใช่ไหมเดินทาง18บแปดเสาร์ป่าใช่ไหมอ่าก็เดินทางวันเสารหน้ามันไม่มีล้อาทิตย์มีอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ป ร, รืนนี้